เจิพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำั้มเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทาทานรักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนา อันนี้เราจะไปที่คุณสาธกาเป็นคนแรกเชิญสาธกาจากชัยนาทค่ะอาจารย์คะตอนนี้ค่ะพอเวลามันแต่ก่อนนะคะมันจะมีเหมือนถอนในใจแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยนะักนณะปัจจุบันเนี้ยค่ะคือมันมันลืมตาแล้วก็เหมือนเราอ่านหนังสือมันก็มีลักษณะถอนในใจเหมือนเวลาเราดั่งสมาธิอะค่ะแล้วก็อ่น หรือว่าฟังฟังไอเท่ของพระอาจารย์นะคะตอนเวลาขับรถอะค่ะมันก็ถอนหายใจมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะอาจารย์มันมันจะสงบเมืมันจะสงบมันจะลักษณะเหมัอนถอนหายใจเพิ่อค่ะแล้วก็คือปกติที่นั่งอยู่อะค่ะพระอาจารย์คือแบบพอหลับตามันมันก็คือมันก็ถอนหายใจเหมือนที่รูปบอกอาจารย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรอะ่ะได้มันเป็นได้ทุกเวลาไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันมาก นาำกายจะอยู่ในยิริยาบนไหนเวลาจิตมันจะถอนมันก็มันก็ถอนะก็ให้รูไ้ไว้เท่านนเอถอนแล้วก็เบาสบายไม่ใช่หรือใช่ที น, นี้พอเวลานั่งมันถอนเนี่ยใจจนลูกเหนื่อยเลยป่ะอาจารย์ถอนถอนถอนเหมืนที่ลูกเคยบอกพระอาจารย์ตอนตอนออไม่รูนะถ้าถอนจนเหนื่อยก็ไม่รู้กันือนกันรู้กนะ็คืว่า คนอื่นก็จะเหนื่นนอยถอ น, น, อ น, น, อนอแบบอย่างนี้ก <flattering> ็อย่าไปอย่าไปเหนื่อยกับมันแต่ให้ลูกเช้ใช้ไปค่ะแล้วก็ไอ้ไอ้ที่เมื่อวานเนี้ยค่ะอาจารย์งูอะค่ะมันตกมาใส่อยู่หลังบ้านคือตอนแรกกับลูกไม่รู้ลูกจะไปล้างจานเนาะอาจารย์แล้วมันมันห่างกันประมาณแค่หน่อยเดียวอะค่ะแล้วงูอะค่ะมันล่วงลงมาค่ะแต่ลูกอ่ะนิ่งมันมันนิ่งเหมือนที่ลูกเคยบอกว่าอาจารย์ตอนที่ รถมันไปชนฟุตปาดดังๆอย่งนั้นนะคะแต่มันไม่ไม่ตกใจเนี่อะไรอะคะ่ะพาจารย์น้นก็ดีเลยเน้นก็นดีแล้วจ่ายไปดูเบกค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วพออีกสักพักนึ่งอะคะ่ะมันก็เลือ้อยเลื้อยมาจ้าเอกันอีกออมันก็เหมือนเดิมที่ที่เหมือนอีตอนที่มันตกลงมานะคะพเจารย์ออ้ อ, อก็ให้รู้ยเฉยๆไปเมรตาไป ไม่ตกใจแล้วก็ไม่ตาเออยู่ไฟต่างไฟต่างอยู่กันน่ะเขาเขาก็าก็เลาก็เหนีอยู่ในนะี้คะ่ะถ้าเราเฉยๆแต่บ้างเขาก็รู้ว่าเราไม่เป็นพีิษเป็นภัยกับเขาเขาก็ไปอ่าแล้วก็ปกติอะค่ะจริงจบเนี่ยลูกะเะเต้ตุกแกไม่ใช่มันจะกลัวมากมันก็จะอยู่อีกตรงอีกตรงทางที่ล้างจานนะคะแต่ก่อนอาจจะขี้แต่ตอนเนี้ยคือพอฝึกไปมากๆค่ะอาจารย์คือ เฉ ย, ยมันก็เฉใช่มันจะอยู่<อ>แล้วแล้วอีกอีกอันหนึ่งคือที่พระอาจารย์บอกว่าให้พิจนารณาแล้วก็คือทุกอย่างอะ่ะมันเป็นทุกลูกก็เลยมีอยู่วันหนึ่งอเออสองสามวันเมื่ออาทิตย์ก่อนต่อนะะี่ยค่ะลูกก็พิจนารณาก็เลยคิดไอ้เรื่องที่มันโศกเศร้ามาแล้วทีนี้เขาเสร็จเขนั่งอบบพระอาจารย์มันอยู่ในความว่าแต่ทีเนี้ยมันมันเห็นเป็นภาพ ภาพภาพแต่มันไม่ไม่ไม่ได้หงุดหงิดอะไรเหมือนสมัยตอนเราฝึกแรกๆ้นะคะอาจารย์คือ ล, ลูกก็แบบไอ้งานแต่มันคือสงบแต่มันไม่ได้สงบคือปกติเรบจะไม่เห็นอะไรเลยเอา่าไม่เป็นไรถ้าเห็นหน่าใจเฉยก็ใช้ได้เงี้อ๋อ แ, แต่ว่า ล, ลูกไปสักแต่ว่าลูกไปอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งเราเห็นลูกลูกลูกตอนแรกลูกเอ้ ยังไงคือมันปกติมันมันว่าตลอดแล้วทีนี้ลูกก็เลยโทรถามพุทธาพุทธาคือให้ให้อาชิวเอเคยให้เอวีดีโออาชิวมาดูแต่ลูกก็แบบไม่ค่อยอะไรแล้วทีนี้พอตอนหลังนะคะที่ลูกเห็นว่ามันมันแปลกๆคือมันมีมีมีภาพแล้วลูกเฉยๆลูกก็เลยถามพุทธาแล้วลูกก็เลยไปดูพุทธาพอกให้ให้ลองมาดูเกี่ยวกับที่พระอาจารย์บอกอะคะ่ะดูเหมือนอนาตมี แต่ลูกว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่ลูกก็เลยไปดูอสุภาสวิดีโออสุภาที่ได้มาค่ะอาจารย์ดูอ่ะมันไม่ตื่นเต้นแม้ไหรแบบนี้นอนมีอะไรก็คือปกติเฉยๆแล้วพอเสร็จแล้วอ่ะลูกก็ไปนั่งสมาธิต่อแล้วมันมืดมืดเหมือนแบบมืดแบบไอสีดาเลยค่ะพระอาจารย์คือมันสงบกว่าปกติแบบมืดเลยค่ะ แล้วก็เขเสร็จแล้วหลังจากนั้นลูกก็เอา เ, อาเอาทศพระอาจารย์มาฟังอีกมันก็มืดมืดมืดแบบแั่นเลยอ่ะทีนี้เราอ่ะต้องต้องต้องดูทุกวันทุกวันในที่พระอาจารย์บอกให้เราก็ดูแล้วก็สอนที่ทุกวันนะคะพอาจารย์กอดูไว้เพื่อให้เราลงเพื่อให้เรานักความความการมลงที่อาจจะเกิดขึ้นนัถ้ามันไม่เกิดก็ไม่ต้องดูไม่ได้ไม่เละ ลูกนึกว่าคือการมันลมมาไม่มีแต่ทีนี้ลูกนึกว่าคือเราดูเพื่อที่แบบเหมือนว่าให้ปล่อยวางแล้วเราแบบเหมือนแบบก็ได้ดูร่างกายก็ได้พิจารณาแล้วก็รู้มันไม้อะไรเหมือนกันตันเองก็ต้องเป็นสรางสรแบบนี้แหละอ่าอ่าอย่างนั้นได้ไหมคะอาจารย์ได้ไแล้วเหมือนเราก็พิจารณาไปมากๆแล้วให้ให้บรรจําแล้วก็คือต่อไปมันก็จะรู้สึกว่า เฉยๆเวลาตั้งกายเป็นอะไรก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เต็มเต้นตกใจ อ, อือค่ะลูกตอนเนี้ยนะณนะตอนเนี้ยคือลูกก็จะอยู่ประมาณนะั้นแล้วก็พอเวลาคือแฟนอะ่ะไม่ได้ไปทํางานตั้งแต่วันที่แปดมาลูกก็จะอยู่แต่ในห้องน่ะคะ่ะนั่งสมาธิฟังเทศอ่านหนังสือจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะดีเออจะอยู่ว่างๆเฉยๆก็ได้นั่งสมาธิไป ลูกจะใช้แบบนั่งสมาธิไปแบบมันจะได้ประมาณชั่วโมงคือแต่ละครั้งอ่ะเ mm hmm. ออขั้นต่ําลูกอ่ะชั่วโมงหนึ่งแล้วลูกก็นั่งไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขเสร็จแล้วก็ออกไปเข้าน้ําแล้วก็นั่งต่อแต่จริงจบางทีอ่ะนั่งบ่อยๆปวดก็จ้า <laughs> ลูกก็เลยเปลี่ยนเป็นเป็นว่าอ่านหนังสือบ้างได้เลี <laughs> ่ยนก็ลองสู้ <laughs> ความปวดอยู่ได้ไหมรองถ้ามันปวดก็เรา ทำใจให้เฉยๆกับมันได้ไหมล อ, อ, องอคิดดูปรมาณน่ะเคยานความปวดไาแล้วยังเคยแล้วค่ะพระจารย์เพราะว่าลูกมันมีปัญหาเรื่องกระดูกกระดูกกระดูกตั้งแต่กี่ตอนที่ว่าไปไปดู แ, แลแม่ค่ะคือมันมีปัญหาครึ่งดือนเลยลูกก็เลยอันนั้นแล้วก็ตอนที่ช่วงที่เฝ้าแม่ค่ะลูกเลยแบบก่อนก่อนที่จะไปไปเฝ้าเนี่ย คือโดนโดนได้เหมือนกระจกนะคะอาจารย์กระจกแต่มันบาดบาดแต่เยอะมากแล้วก็ลูกก็ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ฝึกแต่ลูกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะอาจารย์แผลมันเปิดเยอะแต่ลูกแค่แปะแผลแล้วลูกก็ไม่ไปเย็ดแล้วลูกก็อยู่อย่างนี้ยแล้วก็ลูกก็ไปดูแม่ก็ก็มันก็คืออืมไอ้ที่ปวดป่วดบางที คือยุคจอนเฝ้าอ่ะค่ะอาจารย์คือเรพิษเราอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบบางทีเราไม่ได้นอนกินก็คือบางทีอ่ะก็ไม่ได้นั้นเขาต้องอยู่เขาตลอดอะค่ะมันเคยมีเก่งมากๆจนแบบติดอ่ะอาจารย์แต่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้อะไรนะลูกก็ปล่อยแล้วพอทักพักเดี๋ยวมันก็ดีเองทําให้ทั้ใจเราไม่ไปกังวลอย่างเหม้ยแกันมันจะเป็นก็ไม่เป็น กน่าจะจะขยับก็ไดไม่ขยับมกนได้นะล้วเรารู้ว่าเราไม่ดูให้่หเดือดร้นอนกับมันเนดะือด้อโอเคงั้นลูกก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ค่อยค่อยคยตัดไปเรื่อยๆอะค่ะออันไหนที่แบบก็ค่อยค่อยแต่ไอเรื่องอย่างไอพวกซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงเยอะแบบแ ค, คแ่ไม่มีเลยเครับ่ะน้อยสันโดษนะ ใ ห, หลงบ้าน้อยสันโดษอาพระจาโอเค อ, อทาท่นนี้ก่อนนอะอาเจัาแม่แรชัดที่สรีวราชาเจะแมที่กล่วนมันสการพระอาจารย์ค่ะบฮะวันนี้ไม่มีคำถามครับ ม, มีคำถามมีคำ้ามไหมมันตอนนี้ทำอะไรมารบ้างก็สวนมนต์นั่งสมาธิครับทุกวันนะ นี่เป <Shop Last night> <t fluffy camera> <process> <that> <thing> ็นยไงบ้างสบ้ยดีครับทำวัดเรื่วงวดมนต์ก่รอบสวดมนต์สวดมนต์ในช่วงนี้สวดช่วงนี้ไม่สวดมนต์ค่ะแต่จะสวดอิติปิโสแบบสวดอรหังสมาณะโมตัตถ์พูดทางสระนังแล้วก็อิติวิโสก่อนที่จะมานั่งสมาธิค่ะสวดกี่รอบกังเนา รอบเดียวแะไม่ใช่เมื่อก่อนบ่อยค่ะแต่ก่อนสวดอิติปิโสค่ะห้าสิบรอบแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนใหม่มาเป็นเริ่มจากอารหังสัมมานโมตสร์อะไรแบบนี้ยค่ะแล้วก็ให้นั่งสมาธิเลยค่ะจะได้ตัดเวลาสวดหมดอ๋อแล้วนั่งนานขึ้นไหมืะก็สิบห้านาทีถ้าถ้าสวดอิติปิโสด้วยแล้วนั่งด้วยใช้เวลาเท่าไหร่ ยี่สิบนาทีค่ะก็้องานงันได้ยี่สิบถ้าถ้าไม่สวยดยิติปิโสก็ถ้าจะนั่งแทนเลยก็ตังนั่งให้ได้ยี่สิบครับอย่งนขาดทุนเล ย, ยครับนางนั่งได้เลยหรือเปล่าแล้ว่านั่งแล้วใจมันคิดมากก็สวดก่อนไปได้ดอิติปิโสไปกได้อ่าก็ อย่าลดแทนมันน้อยลงนะต้องทําให้มันมากขึ้นครับถ้าไม่สวยก็ได้แต่ถ้าไม่สวยก็ต้องนั่งนั่งให้เท่ากับเวลาที่เราสวยบวกกับเวลาที่เรานั่งสมาธิต่ตอครับอแล้วก็เราเพิ่มไปให้มากขึ้นอีกเพราะว่าคราวนี่ได้ยี่สิบคราวหน้าเรายี่สิบห้าครับคัอมันจะได้เก้าหน้า โอเคนะเข้าใจน ะ, ะเข้าใจครับถ้าแม้ว่าอยากจะลุกขึ้นมาก็สวดอิติปิโสใหม่เข้าใจรครับพยายามยืดเวลาให้มันยาวไปไ ม, ไม่ต้องรีบไปทำอะไรไม่มีอะไรน่าทำอะไรเดี๋ยวก็ไปเล่นกันนะไปนอนเอาเวลามาสวดมานั่งดีมานะมีประโยชน์กว่า พยายามบังคับให้มันน่มามันนานส่วนมันนานเข้ า, า, เาใจนะเข้าใจครั บ, รบอ่าคุณฝนพันยาสุตาอยู่ที่ไหนคุณฝนกรุงเทพค่ <หา S 2> พะพรอาจารย์เคยเข้ามาเนี่ยเคยเข้าหลายั้งแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่จะนจะเข้ามาประมาณเดือนละครั้งนะคระรน่ะพรอาจารย์อ่าค่ะ ก็พอดีเมื่อต้นเดือนก็มีโอกาสได้ไปกับพาลูกไปกาบพระอาจารย์อ่ะนะคะทีนี้ระหว่างที่ตอนฟังธรรมมาของคือนั่งสมาธิไปแล้วก็ฟังธรรมของพระอาจารย์ไปด้วยอะค่ะก็นั่งหนูก็นั่งได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้ตอนลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะพระอาจารย์มันจะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าแบบมันไม่อยากลืมตาค่ะคือพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ว่า มันไม่มีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์อะค่ะเข้ามารบกวนจิตใจอะค่ะก็รู้สึกแบบรู้สึกสงบดีอะค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่จำเป็นต้องเรียนก็อยา่าเพิ่งเรียนไม่ได้มันใช้เวลาว่างจิตมันสงบกว่าจะให้มันออกขับเข้ามามันก็ต้องใช้เวลาบ้างนิดหน่อยถ้าไม่จำเป็นก็ใช้เวลารอยมันไม่ค่อยเรียนตามมาค่ะทีนี้เหมือนแบบ คือก่อนหน้านี้ค่ะหนูที่หนูนั่งสมาธิใช่ไหยคะหนูก็จะนั่งได้ประมาณสักยี่สิบนาทีอค่ะแต่หนูลองสังเกตดูว่าพอหลังจากที่หนูได้ฟังธรรมพระอาจารย์ไปด้วยแล้วนั่งสมาธิไปด้วยอะค่ะหลังจากนั้นหนูก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็ลองใช้วิธีนี้ว่าตอนที่พระอาจารย์เทศนะคะหนูก็นั่งสมาธิไปด้วยอะค่ะมันจะนั่งได้นานขึ้นนะคะประมาณประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงสาสิบห้านาทีค่ะพระอาจารย์การฟังเทศก็เป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึง โดยอสสาศัยเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนที่เราจะใช้พุโทโธแล้วใช้ดูลมหายใจการฟังมันง่ายกว่าการที่เราใช้พุโทโธแล้วดูลมค่ะคือหนูก็จกับจับเสียงธรรมเป็ น, เ ป, นเป็นอารมณ์เสียงธรรมอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่จนกว่าไม่ต้องภาวนาพุโทโธใช่ไหมคะไม่ต้องสมมติว่าหลังจากฟังเสร็จก็ลองดูลมต่อไปนะถ้าเราปิดปิดเสียงธรรมแล้วเราก็ลองดูลมต่อไปก็ได้ เพราะถ้าดูลมได้มันจะสงบมากกว่าการฟังฟังเสียงธรรมค่ะแต่ถ้าตอนเริ่มต้นยังดูลมไม่ได้ใจมันยังฟุ้งอยู่ก็ฟังฟังเสียงธรรมไปก่อนค่ะคือเหมือนอาจจะฟังถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้ฟังไลฟ์สดนะคะถ้าสมมติว่าหนูฟังเป็นเทปนะคะหนูอาจจะฟังไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ปิดปิดเสียงธรรมอย่างนี้แล้วก็ดูลมค่ะใช่ไหมได้ถ้าเรารู้สึกว่าใจเราเบาสงบแล้วไม่อยากจะฟังก็ปิดแล้วก็ดูลมต่อไปเลย ค่ะทีนี้พอพอหลังจากนั้นนะคะหนูก็แบบช่วงที่หนูนั่งสมาธิแบบพอดีหนูก็กลับมาปวดหลังอ่ะก็เลยแบบอาจจะนั่งน้อยลงแต่ว่าหนูใช้วิธีใช้วิธีภาวนาพุโทโธตลอดเวลาะคะ่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ตื่นนะคะเหมือนแบบมันมันใช้สติะะรู้อะค่ะพุโทโธพุทโธตลอดแล้ว มันหนูเลยครั้งเนี่ยหนูเลยรู้แล้วว่าการภาวนาพุโทโธอะค่ะมันทําให้จิตอ่ะไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นนะคะพระอาจารย์แล้วทีนี้มีอยู่ครั้งนึงอะค่ะหนูเหมือนเวลาเดินหนูก็ภาวนาพุโทโธเดินเข้าห้องน้ําเลยหนูก็ภาวนาพุโทโธอะคะ่ะพอหนูเดินออกมาปุ๊บอะคะ่ะเหมือนหนูจําไม่ได้ว่าแบบที่เนี่ยมันคือที่ไหนอ่ะค่ะพระอาจารย์อ๋อก็อาจจะมีบ้างเวลาที่เราไม่นึกถึงมันก็อาจจะไม่รู้ไปได้ก็ไม่เสียยอะไร ถ้าเราพอเราอยากจะรู้เราก็นึกแล้ว ก, ก, ก็จะจำได้ก็โอเคทําจําไม่ได้เลยนี่ก็แสดงว่าความจําหายแล้วกันพูดแต่ภาวนาวพูโทโธค่ะเดิยออกมาความจำอะไรก็จะพักเหมือนกับความคิดเน่ยความเกลี้ยความจํามันก็จะหยุดช่วคราวพอเราจะนึกอะไรขึ้นมาก็นึกไม่ออกต้นต้นก็ไม่เป็นไรค่ะใช้เวลาดึงดึงความจํำขับมาฝันค่ะ คือช่วงที่ผ่านมาค่ะหนูก็แบบเดือนนี้มันค่อนข้างจะสาหัสเพราะว่ามันมีทุกหลายเรื่องอะค่ะแต่ว่าก็นึกถึงคําคําที่พระอาจารย์เคยสอนว่ามันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาค่ะว่ามันแบบบางอย่างเราก็ไปคอนโทรควบคุมมันไม่ได้ค่ะก็เลยใช้วิธีแบบภาวนาเอาไปละกันเลไอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยพภาวน า, า, าพุโทโธพุโทโธมันก็เลยทําให้แบบไม่ไม่ไปฟุ้งคิดคิดเรื่องอื่นนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะยังยังไม่ถึงกับ คุมได้ร้อยเปอร์เซน์ในการที่จะไม่ฟุ้งไปค้ดนหาพระอาจารย์ใช่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกไ ป, ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรานั่งได้น้อยลงอะคะ่ะพระอาจารย์แต่เราใช้วิธีฝึกสติไปแทนระหว่างวันแทนก่อนได้ไหมคะถ้าถ้าน้อยลงเพราะว่าเราต้องไปทําภารกิจอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าน้อยลงเพราะาเราขี้เกียจนี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดี อาพอดีพ่อปว่วยด้วยค่ะพระอาจาร ย, ย์ก็ยุ่งวิ่ยุ่งกับเรื่องดูแลพ่อกับเข้าลงมาบาลเลยถ้ า, ถ, าถ้ามันมีความจะเป็นทําให้เรานั่งไม่ได้ก็ใช้การเจริญสติไปพักผ่านก่อนก็ได้คต่อย่าแต่อย่าเลือกระหว่างการไม่นั่งกับการเจริญสติกับการนั่งถ้ามีเวลานั่งได้ก็ควรจะนั่งเพราะมันจะทําให้จิตสงบมากกว่าการเจริญสติค แต่การเจริญสติก็จําเป็นก็สำคัญถ้าเราไม่นั่งเราก็ต้องเจริญสติตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์หนูก็แล้วก็หนูได้ตอนนี้หนูเริ่มกลับมาฝึกบ่อยขึ้นแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วหนูเคยเข้ามาแล้วก็ที่ถามคือที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเหมือนแบบพอเราไปปาร์ตี้ไปไหนอย่างเงี้ยแล้วเราจะแบบไม่อยากกลับมาฝึกอะค่ะพระอาจารย์บอกว่าโดนกิเลสมันหลอกหนูก็โอเคหนูไม่โดนหลอกแล้วค่ะหนูไม่กลัวแล้วไม่หลอกหนูไม่ได้แล้วค่ะหนูก็แบบ ฝึกเป็นประจําอะค่ะไม่ว่าจะยังไงหนูก็เออไม่ถิงการฝึกอ่ะค่ะถ<ต>ึงนแ<ต>ม้มมจะไม่อยากทํำก็ต้องบังคับหน่อยเนี่ยนี่แหละเพตที่เราไปปาร์ตี้วกกลับมามันก็เลยไม่อยากจะทำํำเพราะมันขัดกันไปปาร์ตี้มันใช้ความคิดใช้อะไรแต่พอมานั่งมันต้องหยุดความคิดมันก็เลยขัดกันเออแต่หนูชอบค่ะมันมีความสุขดีเวลานั่งเรารู้สึกว่ามันสงบอะค่ะมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองตัดปาร์ตี้ลงให้มันน้อยลงไป อันไหนมันจําเป็นต้องไปครับเราแต่ปกติหนูไม่ใช่คนเที่ยวนะครับอาจารย์หนูไม่ใช่วันนี้แบบแบบเออวันี้วันเกิดพี่สาวเออก็ไปแค่นั้นเองได้ถ้ามันจําเป็นครเรายังอยู่ในสังคมอยู่ก็ต้องไปหนูไปไม่รุ่นนี้ไปไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์อยู่บ้านได้ดีกว่าก็ชอาอยู่บ้านแล้วก็ฟังฟัธรรมทั้งวันเลยค่ะบางวันก็ฟังวันละสามรอบเลยค่ะอาจารย์ได้ดี ค่ะวันนี้ก็ไม่มีคําถามเพิ่มเติมค่ะก็จะไปฝึกต่อค่ะตามแนวที่นักสัมมนแนะนำพยายามนักสัาระดับการฝึกไว้แล้วก็อย่าให้มันน้อยลงนะค่ะค่ะแต่น้อยลงพ้นต้องกลับมาชดเชยนะไปทําอะไรอะมันต่อมันต้องชดเชยทําเพิ่มควันหยุดยังมีวันชดเชยอ่ะค่ะใช่การปฏิบัติก็ต้องมีการชดเชยค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์หนูจะกลับไปฝึกค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคุนเยิงวลาลพร ก่าวในมรดกการพระอาจารย์เช้าค่ะพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปชะอําค่ะพระอาจารย์อันนี้ตลกมากเลยค่ะ เอ่อพอดีโ ย, ยมมาฟังเทศพระอาจารย์นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับกลับมาสอนโยมอะคะ่ะพอพอยมไปเช้าอืมแล้วพอตอนเช้าอะคะ่ะโยมก็จะเดินขึ้นชั้นบนเพื่อที่จะไปเดินจงกรมใช่ไหมเจ้าคะแล้วพอโยมกำลังเดินขึ้นไปแต่ไปปุ๊บโยมโยมเห็นลิงเกาะอยู่บนหลังคาอีกบ้านซึ่งมันใกล้กันพระอาจารย์แทนที่โยมจะเดินต่อโยอมก็หันหลังแล้วก็ลงกลับเข้าห้องเลยะคะ่ะพระอาจารย์พอโยมกลัว กลัวว่าถ้าเราเดินจงกงใใรมไปใกล้เขาว่าเขาจะกระโดดมาหาเขาจะมากัดอะไรเราหรือเปล่าแต่พอเสร็จแล้ ว, ว่โยมมาฟังธรรมะพระจารย์นะคะพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราเจออะไรแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาเราก็ถือว่าเราเป็นมิตรต่ อ, อ ก, กันเราอย่าไปกลัวโยนรู้ถึงตัวเองเลยโอ้นี่โยมสอบตกเลยค่ะพระอาจารย์พอโยนขึ้นไปโยมเห็นลิงปุ๊บโยนก็เลี้ยวเลี้ยวตัวกลับลงเข้าห้องเลยเจ้าค่ะถ้ามันไม่จำถ้ามันไม่จําจเป็นจะต้องไปเผชิญหน้ากับมก็ไม่ตงไป อค่ะอาถ้าเราอยู่ในกรณีที่มันต้องมาเชิญน้ากันนบอาจารย์อ๋อค่ะอาจารย์บางทีเราก็ต้องดิดเรื่องนี้นั่เดี๋ยวมันก็มีปัญหาได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ไปยมเพิ่งเคยเจอลิงอะค่ะเพราะเมก่อนไปจะจะไม่มีลิงมาแถวบ้านแต่วันนี้เจอลิงสองวันตอนแรกอยู่เอ๊ะพอ โยมเห็นตอนกลางคืนเขาก็มาแถวบ้านแถวห้องโยมแต่พอตอนเช้าโยมจะขึ้นไปรงกลมอ้ํมาไปอยู่หลังคายอยู่ใกล้ๆกันโยมก็หลบเลยเอางั้นถือว่าโยมก็ไม่ไม่สอบตกนะเจ้าค่ะไม่ไม่ตกถ้ามันถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องเผชิญหน้าก็อย่าปไปเผชิญนะแม่กับคนบางทีเดินเจอคนมาบางทีแล้วก็หลบไปทางก็ได้อ๋อ <c oughs> ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วโยมมีอยากถามพระาอาจารย์อีกทีนึ่งค่ะการซ้อมตายอะคะ่ะพระอาจารย์ การซ้อมตายของพระอาจารย์นี่ความหมายว่าคือเวลาโยมนอนลหลับอะค่ะโยมก็จะพยายามรู้สึกว่าอะถ้าเราหลับเหมือนกับว่าถ้าเรากำลังจะตายเราต้องเหมือนกับตัดใจจากคนที่เรารักตัดใจจากทุกๆอย่างตัดใจจาก จับแบบหลายหอย่างอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าโยมมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเคยฝันโยมฝันว่าโยมยโยมโยมกำลังจะตายเหมือนโยมกําลังจะจากอระจาร์แล้วโยมมีความรู้สึกว่าโยมมีความคิดถึงลูกสามีมันเป็นความรักที่โยม <ì S 1> ไม่อยากจากคือคือมันเป็นความห่วงหาตอนที่แบบโอ๊ยแบบเ ร, เ, เ, เราไม่อยากจากเขาเลยเราไม่อยากจากเขาเลยมันเป็นความรู้สึกเหมือนเรากําลังจะตายแต่ความรู้สึกอันนั้นอะคือเราห่วงหาเขาคือมันเป็นความรักที่แบบ แบบมันมันยากที่จะตัดนะพระอาจารย์ใช่ครับผุกพันมันต้องฝึกฝึกฝึกตัดความผูกพันว่าเดี๋ยวเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนะค่ะเราต้องทําอย่างนี้ทุกทุกคืนใช่ไหมคะทุาวันทุกคืนเลยทุกเวลาทาที่เลยเห็นหน้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องจากกันแล้นะค่ะพโอ้โหมันมันทรมานมากเลยพระอาจารย์แต่นั่นอันนั้นคือความฝันนะเจ้าค่ะไม่เป็น ถ้าฝึกไบ่อยๆแล้วมันจะไม่ทรมานเพราะมันใจมันจะค่อยๆน้ อ, นอมรับความจริงได้อยอมเข้าใจแสดงว่าเวลาคนเราจะตายต้องความรู้สึกแบบนั้นแน่เลยถ้าคนที่ไม่มีการถูกฝึกมาก่อนใช่แนะนำให้ฝึกบ่อยๆไม่ใช่ัดเฉพาะตอนที่เรานอนเท น, นั้งตอนที่เราเตื่นเราเจอหน้าใครก็ไดว่าคงยังไม่ได้เจอกันไป็นตลอดนะวันนี้วันนี้จจะเป็นวันสุดท้ายที่เราเจอกันก็ได้ ตอนนี้โยมก็เริลึกถึงแบบนั้นอยู่เช้ค่ะแล้วก็เมื่อเพิ่งเมื่อเช้าเนี่ยพระอาจารย์โยมกําลังแปลงฟันอยู่โยมก็มีความรู้สึกตัวว่าโยมกําลังแปลงฟันอยู่แล้วเมืเอิอนตายโยมก็ไปมองมองหน้าตัองที่กระจกโยมโยมก็เห็นผมผมขาวตัวเองพอโ ย, ยมเห็นผมขาวแต่โยมก็มีความรู้สึกว่าค่ะเห็นไหมผมขาวมันคืออนิจจังอ น, นัตตาซึ่งเราไม่ไปสามารถบังคับได้เพระาะฉะนั้นน่ะเรา ก็ไม่ใช่เจ้าของตัวตนของของของเราเพราะเราไม่สามารถไปบังคับได้ว่าที่จะให้มันอย่างงอกนะอย่าอย่าดำนะแล้วอยู่อตรงโยมก็มีความสึกว่าในร่างกายของเราและขณะที่เราแปลงฟันอยู่เนี่ยค่ะพระอาจารย์มันมันสกปรกเหมือนกับว่าถ้าเราไม่แปรงก็สกปรกแล้วเวลาผมเราไม่สระมันก็มีน้ําเหนียวๆออกมาตอนนั้นความสึกว่าในร่างกายเรามีแต่ของเสียไปหมดเลยพระอาจารย์มันรู้สึกว่าเราเก็บของเสียไว้ในร่างกายทุกอย่างเลยพระอาจารย์ไม่เพือของเสียทั้งหมดเลยค่ะ อันนั้ให้มีบัญยาเห็นธรรมให้เลยเลยอ่ะใช่พระอาจารย์มันแหวกในร่างกายใช่แล้วก็พระอาจารย์ต่อไปก็เอาไปมองร่างกายคนหน่งเข้าเหมือนกันร่างกายคนหนึ่งก็ปฏิกรูเหมือนกันค่ะจริงพระอาจารยแบบมันมันมีแต่ของเสียยมรู้สึกออมันของเสียไปหมดทุกอย่างเลยพระอาจารย์เวลพิจารณาร่างกายพอพิจารณ์ร่างกายแล้วเราก็ต้องพิจารณาร่างกายคนอื่นเปรียบเทียบกันด้วยจะได้รู้ว่าเหมือนกัน ได้ค่ะเวลาแปลงควาแล้วก็เหมือนว่าเราเป็นขุ่นยนต์มันมันแปลงเองมันแบบค่ะทำไปจะดูว่าร่างกายก็เป็นมันหุ่นเนี้ใช่ค่ะภาษาเราเป็นคนสั่งหุ่นให้มันทําอะไรได้ใช่ใช่ค่ะแต่บางทีหุ่นมันก็ไม่ฟังเราใช่ไหมบางอย่างบอกผมอย่าเท้านะอย่าทำให้ผมเขานะทํำไม่ได้ทาไม่ได้อย่าทําให้ฟันหนุนนะแปลงแปลงไปดีไม่ดีเดี๋ยวมันหนุนออกมา ถามพระอาจารย์คามไม่นเพียงฝันเลยค่ะว่าฝันว่าฟันหลุดนี่ตกใจวิ่งทั่วเลยมันมันไม่มันไม่สวยแล้วมันไม่สวยแล้วเนียค่ะพาจานั่ะพยายามมองภาพของความเสื่อมของร่างกายค่ะมันเข้ามาเองเลยพระอาจารย์มั้นั่นแหละแสดงว่าถ้าเห็นอะไรเสื่อมนี่แสดงว่าเห็นเป็นดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะกับ สาธุนได้คำสอนพระอาจารย์ลูกดีใจบ้างเลยลูกเป็นศิษย์มีอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะาสาธุะพระอาจารย์ในที่คุณหมอพีเชษคุณหมอเชษคอธร์กาวน์รำมศการพระอาจารย์ครับอาจารย์ยรได้ยินไหมครับได้ยินช่างเชษนะหมอครับก็ราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคําว่าทุกในอริยสัจสี่นะครับพระอาจารย์ คือทุกนี่มันมีสองรูปแบบเลยทุกในเวทนากับทุกในระยะสัตว์สีซึ่งต่างกันทุกขเวทนานี้มันเกิดจากขันคือเกิดจากรูปเสียงกิรยรสผลสภาที่มันแตกปวนพอมันแปกปวนมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมารือสุกขเวทนาหรือไม่สุกขเวทนามันมนเปน็อันนี้เราเรียกว่าทุกขเวทนาเช่นร่างกายอนะไรเนี้ยมัน แต่ปวดเวลาหิวขึ้นมามันก็ทุกข์ใช่ไหมเกิดทุกขเวทนาเวลาได้รับประทานอาหารอิ่มก็เกิดสุขเวทนาในช่วงที่เราไม่หิวไม่อิ่มก็รู้สึกเฉยๆกลางไม่สุขไม่ทุกขเวทนาอันนี้ก็เป็นมาทางมาทางขันมาทางรูปขันแล้วก็มาทางตาเนื่ยตาที่เราเห็นรูปบางทีเห็นแล้วมันก็เกิดทุกขเวทนา เกิดสุขก็เวทนากาบไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาขึ้นอยู่กับรูปที่เราเหน็นเสียงก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเวทนามันมีมันมีสา ม, มตัวมันมีเวทนาสามแบบในแต่ในแต่ละชุดมันมาคำร่างกายมาับตาหูมาับรูปเสียงกลิ่นรสผัมผัสแล้วลอันนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีมีทุกข์ในอริยสัจ ต, ตามมา คือถ้าเราเห็นอะไรเราชอบเราก็อยากจะได้แต่พอเราอยากได้ใจเราก็เริ่มทุกข์แล้วพอไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยอันนี้ทุกข์ในอริยสัจทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้รูปที่เราชอบเห็นของที่เราชอบมันอยากได้พอจะไปซื้อก็ออกหมดไปละคนอื่นสั่งไปละเอาไปก่อนนะอย่างนี้ก็เกิดทุกข์กับเวทนานทุกข์ในอริยสัจ ผู้ที่เกิดจากความอยากอยากได้แล้ไม่ได้ก็ทุกข์แล้วมันมีสองทุกข์บางทเกิดขึ้นมาพร้อมกันไม่ไม่พร้อมกันมันต่างกันมาตัวอยนี้มันต้องมันต้องไปสัมผัสกับปัจจัยในใ น, ในปฏิจจส ม, มุปบาทท่านก็สอนใช่ไหมอยายตนะภายนอกอยายตนะภายในพอปัจจัยเจอกันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมา กิสุขเวท น, นาเกิดทุกขเวท น, นาเกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดแล้วตัณหาก็ตามมาอาจจะเป็นภาวะตัณหาวาิภาวะนัณหาเวลาเจ็บก็วิภาวะตัณห า, า, ม า, า, าไม่อยากได้ไม่ม as, มมอยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเวลาสุขก็อยากได้ก็เกิดภาวะตัณหาขึ้นมาอันนี้แหละเป็นอันตัวนี้เป็นเป็นทุกขในอริยสัจที่เกิดจาก ปัญหาภวตัญหาไม่ภาวตทาราเพ็นั้สิ่งที่เราปฏิบัติคือเราเราแก้ไม่ได้คือเวทนาที่มาจากการสัมผัสของอายตนะมันเป็นของมันโดยธรรมชาตินเห็นรูปเสียงกิ่นรสมันก็เกิดตามรู้สึกดีไม่ดีตามมาใช่ไหมเห็นรูปบางรูปป็ดีเห็นรูปบางรูก็นไม่มปปดีบางรูปเห็นว่าเฉยๆกัาการ อันนี้มันเป็นเวทนาทางทางทางขันเขเรียกว่าทางผัดทางอายตนะส่วนส่วนพอมันเกิดผัสสะขึ้นมาเกิดเวทนาทางผัสสะขึ้นมามันก็เกิดตัญหาตามมาตัญหาอยากได้ก็เป็นภาวะปัญหาปัญหาอยากไม่ได้ก็วิภาวะปัญหาเอาเกิดตัญหาขึ้นมาเราก็ตประทานความยึดมั่นถือมั่นคือ พอมันอยากได้แล้วแล้วมันก็อยากจะได้เรื่อยๆพออยากได้เรื่อยๆมันก็กลายเป็นเป็นเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นต้องต้องได้เรื่อยๆต้องมีเรื่อยๆแล้วพอเกิดมีการสิ้นสุดของอายตนะเห็นร่างกายตายไปมันก็เกิดภาวะใหม่เกิดการเกิดพบใหม่เกิดเกิดการที่จะต้องไป หาหาอยายทนะชุดใหม่มาทําดําเนินการก็จะเกิดการเกิดแก่เจ็บตายตามมาอันนี้ถ้ามีตันหานะแต่ถ้าไม่ถ้าหยุดตรงตันหาไม่มีภาวะตันหาวิภาทนามันก็ไม่มีมันก็จะไม่มีอุปทานมันก็จะไม่มีภาวะมันก็จะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายตามมาที่เราปฏิบัติเนี่ยเรามามาหยุดไ้ตัวตันหาสามตัวเนี่ย การม่านฐาะภวะฐานาวิภวะฐาน า, นาด้วยการพิจารณาว่ามันเป็นตาละอีกเรอยอย่างนั้นเป็นตายละมันไม่เที่ยงได้ามาแล้วเนี่ยมันก็หมดไปเนี่ก็เสื่อมหมดไป้็หายไปพอาหายก็ทุกข์ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็อยากจะไปหาตัวใหม่มาแทนเมื่อเกิดความทุกข์ก็อยากจะไปหาสิ่งใหม่มาทดแทนรถคันนี้เสียพังไปก็เปลี่ยนใหม่เอารขึ้นใหม่ เ, เราก็้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยนเป็นอง ป, ประธานเป็นภาวะตามมาแต่ถ้าเราตัดได้ว่ามไม่มีความจําเป็นจะต้องมีรถ เ, เดินก็ได้ไม่มีความจาเป็นจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสก็อยู่ได้ถ้าเรามีความสงบ ม, มีอุเบกขาเราเข้าฌานเข้สมาธิดีกว่ า, าความสุขจากความสงบเดีกว่าเราก็ไม่ต้องเอารูปเสียงกลิ่นรสก็ได้ เห็นรูปเห็ชอบอยากได้ก็ตัดความอยากไปออกมาแล้วยุ่งออกมาแล้วมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับมันแล้วก็จะติดมัอนบรนยาเสดติดนะทุกอย่างพอเราไปไปเอาไปม า, า, ปมาแล้วไปเสดมันแล้มันก็จะติดนเนี่ยเศดติดก็คือประธานเนี่ยแล้วก็ต้องเสดเรื่อยๆสร้างภาวะใหม่ ถ้าภาวะนี้หมดสภาพแล้วก็ไปสร้างภาวะใหม่สร้างพพใหม่ขึนมาเจะไปสร้างภพใหม่มก็ต้องมีการเกิดภาวะอวัยทะนะของงานการมันก็ต้องเสื่อมลงจบลงมันได้วันหนึ่งเมื่อวันจบมันก็มันก็ต้องไปสร้างภาวะสร้างพพใหม่ไปหาที่เกิดใหม่ ก็จะได้มีรูปเสียงเกิดมาเสรในตาอูจะเหมือนดิงนกายมาเสกหน่ก็ต้องมีเกิดมีการเกิดของร่างกายใหม่แต่ถ้าเราตัดตัญหาไม่ต้องการมันก็ไม่มีภาวะไม่มีอุปทานมันไม่มีเกิดแก่เจ็บตายตาเมเบอรในปฏิบัตินี้ก็เพิ่อมาอยู่ทุกแนววิทยาศต์คืออ ย, อยู่ที่ต้นเหตุของทุกขาริยาสัตว์คทุกแนวิยสศาสตร์ ส, รทรรสรีทุกแนวิยสศาตร์ก่อนจะ อัรหาความอย่างเราต้อง เ, เ, เข้าใจธรรมชาติเวทนานี้มันเป็นตาย ร, ร, ตา ร, า ร, รับมันเป็นอนิจจ์ทุกขกับอนัตตาเราไปควบคุมบัคคาไม่ได้แต่เรามักจะชอบบัคคะเอาแต่สุขกับเวทนาอย่างเดียวลูกเห็นลูกอะไรก็ต้องให้มันสุกอย่างเดียวใช่ไหมเราได้ยินเสียงอะไรก็เอาเสียงที่สุขอย่างเดียวเสียงที่ไม่สุกก็ไม่เอา พอไปเจอเสียงที่ไม่ชอบไม่ไม่สุขขึ้นมาก็ทุกข์กัดกัดกทุกข์เป็นใจนู่นกัดตันหางกัดความทุกข์ที่กัดจากวิภาวะทุกข์อยากจะให้เสียงนั้นหายไปใครด่าเรานี่ก็อยากจะให้ไม่อยากให้เขาพูดใจก็ทุกข์ร้อนขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นตายรักมันเป็นอนิจอนตาเราไปควบคุมบางครั้ไมไม่ได้คิดว่ามันเหมืนเสียงฝนฟ้าร้องเสียงลมพัด มันจะล่องไ ป, ไปมันล่องไมันจะพัดกเข้าอปมันพานไปทําใจให้เน่นด้วยวิเวกขาแล้วว่าดับวิภาวะตหานะถ้าเห็นของชอบก็เหมือนกันได้เห็นอยากได้ขึ้นมาก็ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ทุกนะได้มาแล้วก็ต้องทุกกับการดูแลรักษาทุกกับการซ่อมบํารุงทุกกับการสูญเสียไม่ช้างอเลยมันก็ต้องสูญเสีย เห็นทุกต้องเห็นทุกเห็นทุกเห็นนั้นน้ตาเห็น น, นั้นในใจมันยางได้อย่างหนึ่งนั่นมันก็จะทําให้เราระงับตัณหาที่เกิดขึ้นในใจได้อระงับตัณหาได้ทุกก็ไม่เกิดน้วอุปทานก็ไม่มีตามมาอวะก็ไม่มีตามมาเกิดเกิดแเจ็บตายก็ไม่มีตามมาตามมันต่อไปเข้าใจแล้วครับอาจารย์ เดิมที่จิตมันถูกกับวิชากรรกับเนี่ยพอเจวทนาก็ต้องเกิดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตันทีการทุกขเวทนาก็เกิดวิภาวะตัณหาอยากจะให้มันหายไปหรือยากจะหนีจากมันไปนี่เรามาฝึกใหม่ฝึกวอย่างนี้อย่างนี้เวทนาอย่าวิ่งเข้าหาอย่าถอยให้อยู่คิดอยู่เฉย วิ่งเข้าหาเาราภาวะตัณาวิ่งหนีเับวิภาตตัณหาให้อยู่กลางให้อยู่เฉยๆดรวยเบงคาท่านี่เบงค า, า, คาก็อยู่เฉยๆเลยไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดับไปรูปที่เราเห็นมันก็มาแล้วก็เลียวเข้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นรูกเสียงที่มามันก็ผ่านไปเสียงหนึ่งก็เข้ามาแทนที่ ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปจัดการหนุนไม่เพราะมันเป็นธรรมชาติไปเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังครับได้เรน่าตัณหาด้านก็ดับทุกในอริยสัจได้ดับทุกได้น่าตัณหาได้ก็ ละอุปทานได้ละภูมิแรงละภาวะไดภาวะก็ไม่เกิดเพราะไม่มีอุปทานภาวะก็ไม่เกิดไม่มีภาวะมันก็ไม่มีเกิดารเจยบได้ใช่ไหมครับเข้าใจนะครับขอบคุณครับอาจารย์ดีคุณหมอมีคําถามมาเรื่อยๆคนจะได้ได้ก้าจไกลกันเยอะขึ้น ปกติเราก็นึกไม่หล่อว่าจะพูดอะไรต้องมีคนฐามจะได้อะมาพูดได้ไม่ต้องไม่ต้องเกงใจนะมีคำอย่างกระถาอะไรกระามได้ถ้าเป็นหลักธรรมนะถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่ไม่อาจจะไม่ตอบนะถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องไปอะไรคนนั้นคนนี้บุคคลที่สามอะรทนี้ก็ไม่ไม่อยากจะลงไปที่ตัวบุคคลเราว่ามันชื่อหลักธรรมนี่เปล่ โ okay นะอเ ค, คนะการปฏิบัติเก้าหน้าดีนะตอนนี้อยู่ในขั้นปัญญาเลยนะต้องพิจารณาบ่อยขึ้นครับสมาธิก็เข้าได้ได้ลึกได้นานครับอาจารย์แต่เขาบางวันก็เข้ายากอกมาก็ใช้ปัญญาครับอาจารย์นี่นะครับาาครุคุณหมอภาสนะเชิญคุณหอภาสนะกธบากรันสักการถาพระาอาจารย์ อยู่ที่ไหนอยู่บ้านนี่ที่ยังอยู่บ้านค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดือนหน้าก็จองเล็กน้อยแล้วเป็นเขาชิออนเจ็ดวันค่ะอาจารย์ก็เตรียมกําลังเพราะจะได้เตรียมกําลังจะได้ฝึกเพื่อเดี๋ยวปีหน้าตอนเข้าพันสามอาจารย์เตรียมกำลัง่อนจะไปอยู่ทั้งพันสามเลยก็เดี๋ยวจะเตรียมกำลังก่อนค่ะพระอาจารย์ยังจำตอนก็ต้องเป็นเตือนค่ะอาจารย์ก็คุยกับแฟนแล้วว่าขอไปขับรวไปเองเลยค่ะพระอาจารย์คุยแต่ว่าต้องเตรียมกําลังก่อนนะคะพระอาจารย์ค่ะก็ตอนช่วงนี้ก็คือว่า ใช้เกิดคือแบบดูสติปัฏฐานสี่ดูสติการวิทนาจิตเลยงี้ฮดูทั้งวันนะแต่ว่ามันเหนื่อยน้อยลงคือมันมันรู้สึกธรรมชาติมากขึ้นนะคะอาจารย์มันมันเป็นเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าก็ยังเข้าสมาธิวันทําสมาธิจัดเอ่อเช้าพอวันเย็นนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบอยากได้กําลังเอาไว้สําหรับสวบกิเลสถูกต้องไหมครับพระอาจารย์คือมันคือเยาพูดฟังแล้วมันก็แค่ที่จะ คือดูกายเวิทนาจิตนี่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องมันไม่ต้องไปดูมันทั้งหมดอะดูจิตนะคะพระอาจารย์ช่วงนี้จะดูที่อารมณ์แต่ว่าไม่ใช่ว่าบางทีก็อาจจะเห็นตรงที่ก็ดูแต่สมมติจะดูจิตนะคะพระอาจารย์แต่ดูทั้งวันดูใจอย่างประมาณยี่โกแล้วก็มันรู้สึกกาเหนื่อยน้อยลงคือสักแต่ว่ารู้ได้คือมันไม่ต้องมันไม่ต้องคุมอค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับห้ามไม่มีอารมณ์แต่ว่าก็เข้าสมาธิเช้าวังวันเย็นอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะว่แต่ต้องยังเข้าสมาธิอยู่ ก็เรื่องการนี่มันต้องเอาให้มันให้มันปล่อยให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยไปดูเรื่องไม่ธารมาเรื่องเป็นเชาเพระว่ากายก็ไม่กลัวเพื่อธนาไม่กลัวนะคะอาจารย์ก็ถ้าจะดูจิตก็อ่านดูกิเลสดีกว่านะดูตัณหาสามตัวอยู่กางมาตัณหาภาวะตัหาหรือภาวตัณหาดีกว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่า ช่วงนี้ยังไม่มียังอารมณ์ยังยังคงศักแต่ว่าลงได้แต่ว่าเราก็ยังก็คือยังยังนั่งสมาธิเช้ากับวันเย็นอย่างเงี้ยก็ยังคือยังยังนั่งสมาธิคุมอยู่อย่งี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันรู้สึกมันมันเหมือนกับมีแรงคุมอยู่ว่ามันมีอเวกยิงนั่งเยอะมากเท่าไหร่ได้อยิ่งดียิ่งดีแล้วแรงนั่งอยู่แล้วก็แล้วก็ยังดูดูดูที่อารมณ์ค่ะอาจารย์แล้วก็แล้วกันแล้วก็ดูทําก็คือดูดูเรื่องรูปปั้นดูเรื่อดู คือมันดูดูธรรมนี่คือดูรูกกขันดูยตนะขกใช่ไหมคะอาจารย์ดูตามนั้นเลยใช่ไหมคะคือนี่มันดูแบบทฤษฎีเขาันี่ยต้องการให้ดูดนเหตุเหตุการณ์ที่มันมากระทบใจเรามากกว่าดูที่ใจเลยนะคะอาจารย์อาจารย์ดูเหตการณ์เวลาถึงแล้วมันงงดูเหตุการณ์เวลาเจอคนเจออะไรเหตุการณ์ต่างๆเราดูว่าใจเรามีปฏิกัติอะไรกับมันยังไงค่ะอ๋อ อันนี้กขาดูอันนี้เขาดูไว้ดูกะอยายตนะดูเว้ธนาไปแต่มันดูของจริงไม่ใช่ดูตามตามนนที่เรามานัน้งจินตนาคิดกันให้ดูของจริงของจริงเนี่ยภาพที่เราเห็นมันก็เป็นอยนายตนะหรืเป็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นอยนายะนะภายนอกมาสัมผัสที่ตาจมูกเนืนกายอยาอยะทานะภายในอายะนะภายในบางที่ก็มีปัญหาตามไม่ดีแล้วลงไปหาหมอ อ่มันก็เสี่ยอ่มันทุกไหมทุกประมาณรึปเป<ร>ล่าอะไรต่างต่างเนี้ยต้องดูของจริงไม่ใช่ไปดูในเชิงทฤษฎีเข้าใจ ไ, ไหมเข้าใจเพราะว่าชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีจาอ่านไปอ่านมาแล้วมงตอนนี้เข้าใจแล้วครับอาจารย์ก็คือคุณไว้อย่างนี้นคือไม่ใช้เ่กับเหตุ<ด>การณ์ต่ตางๆที่เราเผชิญในแต่ละวินาทีอ่า เจอทุกแกนเจอของหกดูเส่นใจล้วอารมณ์เป็นยังไงใครฉี่เราหนึ่งร่างน้ำไหยดูที่อารมณ์เป็นยังไงดูดูปฏิยาของจิตครับสภาวะต่างๆที่มามากระทบกับใจดูในดูดูสดไม่ใช่ดูแบบดูแบบอัดเทปมาดูนไม่ใช่ดูของสดสดนอนๆห น, อน่อย ตุ๊กแกตุ๊กแกงูพวกนี้เดี๋ยวนี้เฉยมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าไปที่วัดป่า ก, ก็จะเจอประจํากันคือดูแล้วเดี๋ยวนี้ิ่งมากเลยครับอาจารย์อันนี้อเนี้ยตายฝึกดูแต่ลองฝึกไปเรื่อยๆก็แล้วกันก็คือฝึกดูอย่างตลอดแล้วก็ยังนั่งสมาธิไหวเพราะว่าต้องเอาเราต้องการกําลังแล้วก็ไปวัดแล้วก็ไปขอชีโอนเพื่อจะได้กําลังเงยอะๆเพื่อจะได้ฝึกว่า เรื่องของการพัดคลากแล้วตัวเองจะปัญหาก็คือเรื่องเรื่องอันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็คือพยายามฝึกสอนใจตัวเองแล้วก็สอนใจในครอบครัวด้วยไปยดูดไปดูการฉันนเศบ้างก็บ้าอ๋อดูค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่มีปัญหาไม่ไมีปัญหาเพราะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเรียนมึงก็ตอนเรียนนี้ก็ตอนแรกก็มีปัญหาตอนตอนเรียนแรกนะคะจะพอตอนมาทําตอนที่มาทําทําสมาธิกับพระอาจารย์นะคะก็กลับไปดูใหม่ก็มัน มันเฉยๆมาจ้าแล้วดูศพดูแบบไส้ดูอะไรก็คือมันเห็นเหมือนกับว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนกันแหละพอมาตื่นขึ้นมามันแหมือนการไส้อะไรผมเหมือนกันว่ า, า, าดูคนแก่ดูคนเต็มดูคนตายด้วยเนะค่ะอ่าต่อไปเราก็ต้องแก่ถี่ตายเหมือนสิงที่เราดูเราก็แก่แล้วค่ะตอนนี้ก็แก่แล้วยอมแก่ก็ยังไม่ยอมไปยามยอมแต่งยอมแก่ยอมแต่งนะยอมตาย แต่ว่าเราเพิ่งยังไปฉีดนะฉีดที่ใบหน้าอะไรอยู่ว่าฉีดอาฟ้าาฟ้าสีขวเาอาจารย์ตั้งแต่ทํามาเนี่ยตอนแรกยังคิดเลยว่าเออจะเลิกแต่งหน้าได้บอกว่าเพราะอาจารย์บอกว่าให้สื่อสิ่งแปลแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าอาจารย์ตั้งแต่สื่อสินงปมาก็คือแบบเออมันไม่แต่งหน้าได้เลยนะว่าอาจารย์เนี่ยหน้าสดแบบไม่แต่งคือแบบประหยัดคืองสำอางไว้ทั้งเยอะไม่ต้องใส่คือเออตลกมากเลยว่าอาจารย์ขิมเขิมกีตาร์เลยก็มาไดเล่นคือเสียงที่ชอบเลยเออก็ คือรู้สึกคือม่อยๆทาค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดอาจารย์มันก็เลยมองกลับไปเออเฮ้ยเออมันเริ่กได้หมดเลยเพราะมันมีเป้าหมายไงพระอาจารย์มีเป้าหมายบางครั้เราดูแต่ตําราแต่ของจริงมันเป็นคนละเรื่องกันล อ, อ, องดูตอนเราทําอะไรบ้างเราสัมผัสอะไรบ้างแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างต้องดูของจริงอย่าไปดูแต่ตำราโอเคนะ ขอบพระคุณพระค่ะพระอาจารย์ทำต่อค่ะพระอาจารย์คุณหมอนําที่ดาต่อวันที่สามหมอเลยเลี่ยวไปเลยกล่าวนามาสการเจค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ในช่วงนี้ที่โยมนั่งสมาธิก็รู้สึกเอนิ่งกับเวทนาทางกายได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์เหมือนกับเดิมก็นิ่งในระดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้รู้สึกถึงความสงบที่มันเหมือนมากมากขึ้นอีกเจค่ะพระเจา้าแล้วก็เหมือนเห็นความยอดอง อเวทนาทางกายที่มันปวดอยู่กับกับใจที่มันสงบได้ได้ชัดมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์อใจเราได้มากขึ้นเทาไแล้วก็อยู่เราก็อยู่กับเวทนาได้มากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็อย่างอย่างในชีวิตนี่ก็ยังสังเกตเห็นความกระเพื่อมอยู่บ้างเจ้าค่ะจากโทศรศัพท์สิ่งที่เข้ามากระทบเจ้าค่ะแต่ก็พยายามมีธรรมอาจารย์สอนที่คิดว่าเป็นความสุนทรอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปจอดรถปานหน้าเราจอดรถไม่ไม่เรียบร้อยเราจะรู้สึกอะไรหรือเปล่าจิค่ะอันนี้ก็เรื่องพวกหยุ่หยิมอันนี้อาจจะน้อยๆยลงอาจจะไม่ค่อยมีแส่ว น, นใหญ่จะเป็นคนซึ้งๆหน้าหรือคนไข้อะไรเงี้ยมากกว่านัแหละมัน <laughs> แล้วลแต่อะไรมาเขาทบก็ต้องเฉยให้ได้นะอย่าไป ม, มีอารมณ์ับเขา เจ้าค่ะพระอาจารย์นิยมเลยอยากขออนุญาตสอบถามว่าคือเราจะมีวิธีเหมือนกับตั้งรับหรือซ้อมตั้งรับกับทุรศากอะไรอย่างนี้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องดความอยากลงเนีโทรศากก็อยากความอยากอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราวางแผนไปอย่าให้สังคมเป็นมีแต่คนดีอะไรออกมาเจอของที่มันมันมันมันสวยกับความอยากเราเราก็เกิดความทุศากขึ้นมาออย่าไปอยาม ให้ละให้มองทุกอย่างว่าเหมือนธรรมชาติเหมือนดินฟ้ากายอ่าเหมือนกับคิดระลึกฤทธิอยู่เรื่อยๆไว้ก่อนอ่ะอ่ามันเป็นอย่างนี้นะ่ะจะไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นคนขับรถมันขับคนเร็วขับก็มีคนคนมีระเบียบขับก็มีจะไปให้มันมีคนระเบียดขับมันทุกคนมันไม่มีคนไข้มันคนก็นงงคนคดีบางคนก็นอนแงบางคนก็โจ๊กจี้จุกจิก เป็นเป็นภาวะของธรรมชาติมองว่ามันภาวะของธรรมชาติมันผลดอกแดนออกเจ้าค่ะพระอาจารย์คืออย่างเออโกโกตรงนี้เจ้าค่ะคือเราจะต้องเหมือนกับว่ามองว่าอารมณ์มันมันแยกมันแยกกับเราเหมือนคล้ายๆที่เวทนาทางกายมันแยกกับเราอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็อยู่กับมันได้แล้วเจ้าค่ะใช่เราก็ต้องยอมต้องรับกับเหตุการณ์ต่างๆ นล้วก็อยู่กับมันกยใช้กับมันอย่าไปมีอย่าไปมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากับมันคืออย่าคือเฉยคืออย่าไปปวดมันอย่ยไปไดีใจกับมันไปอะไรกับมันอเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเหมือนมองว่าเหมือนที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์สอนว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราห้าไม่ได้แล้วก็ คืออารมณ์นี้เราก็ห้ามไม่ได้หรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือว่าเราควรจะไปถึงจุดที่มันแบบไม่กระเพิ่มอารมณ์มันเป็นปลายแนละ้วต่ด้วยตัวตัวที่มันเป็นก่อให้เกิดอารมณ์ก็คืออายตนะรวปเสียงเหตุรอดที่เราไปสัมพันธ<จ>์อือหรือทำด้วยความคิดปลูกแตงวันหลังตอนนี้มันเป็นตัวสร้างอารมณ์ขึ้นมาอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตัวอารมณ์นี้มันก็เหมือนเราก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราต้องไปตัดที่ตัณหาที่พระอาจารย์เทาสกูใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ ถ้ารตัดทันาไม่ไปมีไม่มีความอยากกับรู้เสียงเกิดแล้วมันก็ไม่มีอารมณ์ตามมาอามีความอยากสั่ก๋วยเตี๋ยวมาเอาเข้าวผันมาให้เดี๋ยวเกิด อ, อารมณ์เสียงขึ้นมาไม่ได้สั่งก๋วเตี๋ยวหน่อยสั่งข้าผัดนะถ้าถ้ามีปัญญามีสติก็อ่ะก็อย่างนี้ล่ะ <laughs> อนุตตาเจ้าค่ะ เหมือนกับว่าเราเห็นของที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้เกิดอารมณ์เกิดความเออยากให้มันหายไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส๊อฟฟ์ของที่มันเกิดมันเกิดแล้มันไม่ได้เกิดตามที่เราค้านหมายอยู่กับมุ่งอย่างนี้นดีก่าอาจจะเป็นของที่เราชอบแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราค้านหมายเราชอบสิ่งนี้แต่ตอนนี้เราไม่อยากได้มันนี้แล้วมันได้มามันก็ผิดความคานหมายของเราได้มันก็ทําให้เราเกิดอารมณ์เสียได้ ก็อย่าไปอย่าไปตั้งความคาดหมายว่าแนละ้วงมันก็ยินดีตามมีตามเกิดไม่ต้องหัวสั้นโดนดกลับรถไปรถมันจะติดไม่ติดก็ไม่ต้องไปอยินดีได้กับมันไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับมันวันนี้รถติดก็ติดวันนี้รถ ล, ล, ล่องก็ล่องวันนี้เจอคนไข้แต่มีแต่คนไข้ดีๆวันนี้มีแต่คนไข้โอ้โหเรื่องมากเกิน เขาต้องเขาต้องสึกเฉยๆไมันเป็นเรื่องธรรมดาจังค่ะอจรคือแรกๆตอนที่เราสอนเนี่ยเราก็คือเหมือนคิดไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ไม่น่า้อใจเกิดขึ้นแต่ว่าพอถ้าเราถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันคือมันเหมือนเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่เราก็อันนี้ก็เป็นวิธีแก้อย่างาโดยปกติเราจะมักจะมีความความหมายความหวังอยา่จะน่้เจอแต่สิ่งที่ดี น, น, น, นี่เต้องพิการณาความข้ามมาว่ามันเนี้่ยจะเจอแต่สิ่งที่เร็วร้าย <laughs> ถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรถ้ามันเกิดเราก็เตรียมรับมันได้ไป Expect the worst าาว่าเราจะ Expect the worst Hope for the best จำค่ะจำขาพ ร, าจาระจังจนจนเหมือนกับเราเหยียขาเหมือน เราใช้ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆว่าเราเรนเป็นแบบนี้แหละมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างมีมีมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาให้เราได้สัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพียงแต่ละวันไปหวังอะไรจากอะไรแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังทำในหวังขังเก็จะอาจจะผิดหวังได้ เอาเปลี่นางมันเสียใจแล้วก็โกรธขึ้นมาจุมภะพระจันทร์จุมภะก็วันนี้ก็มีคำถามท่านี้เจ้าค่ะขอบพระคุณสาธคุณเดนจากบุดีรัมย์ค่ะยังไงีจา่าธรรมสการ์พระอาารย์ยังไม่มี<ช>มคำถาม ค, ค่ะค่ะคุณเอกจากเชียงราย <c oughs> เอกเชียงราเอากภาคันมา การวัดการอาจาครับครับก็มาครับผมเพราะว่าอากาศมันเย็นครับอาจารย์ปอมันมันแห้งครับเวลาเวลานั่งนานไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสัญลักษณ์ครับถ้าไม่มีมันก็แตกครับอาจารย์ครับผมก็ปฏิบัติเอยู่ทุกวันนะครับอาจารย์ครับรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะจะนิ่ง นิ่งแบบว่านิแบบ่งแบบอยู่กับเวทนาได้ได้ได้นานแบบไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับก็เหมือนกับมันอาจยังยังไม่เจอแบบว่ายังไม่เจอแบบตัวใหญ่ไม่ได้เจอตัวเล็กอียู่ครับแต่ก็อยูได้เอก็ทดสอบไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับคือคื อ, คอตอนนี้มันเกิดเวทนาที่ขามันเหมือนกับว่ามันมัน เรก็นั่งสมาธิผมก็นั่งไปพระอาจารย์มันมันเหมือนแบบมันมันเบาอ่ะฮะมันเหมือนมีปิติซ้อนเข้าไปอีกทีแบบว่าเหมือนเหมือนตัวจะจะยกขึ้นอะไรประมาณเนี้ยพระอาจารย์แต่ก็อยู่อยู่ได้ครับเออมันจะลอยฮะมันเบาครับมันชลอยเออมันรู้สึกครับใช่ครับอาจารย์แต่แต่ว่าความเจ็บมันก็มีอยู่มันก็อยู่ดับแบบไม่ไม่ถึงกับเข้ามาสะเดือนที่ใจครับอาจารย์ครับอืมก็ก็อยู่นี่ผมก็เอ๊สองสาวันนี้คือ ทำให้ใจเรานื่งสงบแล้วกันไม่วุ่นวายไปครับเวทนาไมใช้ได้ครับครับก็ก็เป็นอยู่อยู่สองวันเนี่ยฮะว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมมันแปลกแปกมันเหมือนจะลอยจะอะไรประมาณเนี่ยพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ไม่เจ็บไม่อะไรฮะก็รู้ว่าเออเวทนานก็มันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับก็ยืนตั้งอยู่ก็ดำไปดำอยู่ในสมภาวะตัวนี้อยู่กับอาจารย์ครับตล้วก็ยังถือนี่สัญชอยู่ครับ ทุกวันพระครับอาจารย์ครับพุนี้วันพระครับผุนี้พระครับผมครับกวันนี้เขามาก่าอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังครับมีคาถามอะไรกับอาจารย์ครับโอเคสาถึงครับผมขอให้ท่านอาจารย์แข็งแรงครับผมทราบถึงบอนบอนอยูนที่ไหนบสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ราชกระบางครับ มีอะไรไหมมีครับคือตอนเราเจริญสติก็ดีสมาธิก็ดีครับพอ ด, ด, ดีถ้าเราอยู่กับลมหายใจถนัดอยู่กับลมอะแต่ในบางครั้งก็จับลมไม่ได้ละเอียดนะหรือมีสิ่งราเข้ามาตอนเจริญสติแล้วก็เอาพุโทโธมาควบลมบ้างหรือบริกรรมโรโรบ้างเนียครับ ในลักษณะนี้ผมเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยควรหรืออะไรยังไงไหมครับอ๋อถ้ายังมีเหตุให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันขับรถเนี่ยันทีต้องเปลี่ยนเกียร์ต่มเที่สูแล้วแต่ว่าจราจรมันติดรถวิงช้าวิ่งเร็นี่นะมันก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราดูลงแล้วไม่มีอะไรมาให้เราต้องมีต้องไปเปลี่ยนมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมา ถ้าดูนมนล้วเกิดมีเวทนาแล้วอยู่ของนมไม่ได้การนําต่อมาใช้พุทธโธพุทธโธอย่างเดียวนะครแล้วตอนนั่งไปนานๆนั่งนั่งสมาธิพอมันปวดมากจนไม่ไหวก็ ล, วลองใช้พุทธโธหน่ยใช่ใช้ก็ก็พัฒก็เริ่มจะพัฒนาไปเรื่อยๆว่าเอาเราจ<น>ะ่เน่ยตัะหยัเนีย่ยเพิ่มแล้เนี่ยเพิ่มแล้วพยายามพุทธโธพุทธโธไปมันเจ็บไป ถ้าอยู่กับพุทโธได้สัปดาห์นึงมันอาจจะมันอาจจะสงบแล้วไม่ไม่ไม่ทุกข์กับเวทนาก็ได้แล้วถ้านั่งละ่ะครับท่านั่งก็คือเหมือนพอฟังหลวงปูป่โบเกตเทศท่านบอกว่าให้นิ่งที่สุดเพราะว่าพอกายนิ่งแล้วเนี่ยใจจะนิ่งตามบางครั้งที่ผมนั่งไปนานๆแล้วผมก็รู้สึกว่าอ้าวลังเราหยอดแล้วนี่คือคือเราโฟกัสแค่ลมหายใจ ไม่ต้องเป<อ>็นสนใจไม่ต้องเป็นสนใจร่างกายพอเราเลิกภาวนาะแล้วก็ร่างกายมันยังอ๋อใจเองไงเรื่องของมันอย่าไปอย่าไปาไปับมันให้อยู่กับพุทโธอยู่กับาการดูลงไปอย่างเดียวไม่ต้องทังี่อีกเรื่องอีกสองสองเรื่องค่ะเรื่องหนึ่งก็คือผมฟังพระอาจารย์เทศแล้วผมก็พอเข้าใจ แล้วเอามาพิจารณาได้แล้วในตอนที่เราก็รู้สึกลร ส, สงบแล้วในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเนี่ยอย่างผมคนเล็บฟันหนังตลอดจนอสุภะทั้งสามจุดสองบางทีก็ก็นึกไปตอนตอนเราก็อก็พิจารณาบ้างตามที่เคยฟังธรรมว่ามันเกิดมายัางไงแล้วมันก็เสื่อมขาวไปผมก็ดีคิ้วก็ดี ฟันที่หลุดล่วงก็ดีหนังที่เหี่ยวไปก็ดีอน น, นตาก็พอเข้าใจเอามาพิจารณาได้แต่ทุกขังนะครับพระอาจารย์ครับผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะพิจารณาอย่างไงเหมือนมันเป็นซับเซ็ตของอาอ น, นิจจังเวลาเราเห็นร่างกายมันแก่เราชกเขาบางอ่ะแหละทุกขงงักขงมันไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายทุกได้ยอยู่ในใจเข้าใจไหม ใจเราไปทุกข์กับร่างกายเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายเพราะใจเรามีความอยากมีภาวะทันหามีภาวะทันหะอยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยไม่ตายพอไปเจอครับสิ่งที่มันขัดกับความอยากความต้องการของเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เรีทุกข์ในอริยสัจอันนี้จําทุกขงังเนี่ยทุกขังตัวนี้มันเป็นทุกข์ในอริยสัจไม่ใช่ทุกข์ในเวทนา อย่างที่คุณหมอถามเมื่อกี้ก็ตัวเดียวใช่ตัวเดียวแต่ว่าพอพอไปหาดูแล้วทุกขังพระท่านก็แปลว่าสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้คือถูกกดถูกข่มอะไรแบบนี้ไม่ถูกเราไม่ถเรา ไ, ไปตามความความนึกคิดไม่ได้แปลไปตามตามการปฏิบัติการปฏิบัตินี้มันจะมันจะรู้ว่าเป็นความทุกข์ใจไม่สบายใจเวลาใครดา่าเรานี้ดีใจหรือเสียใจ เสียใจเสียใจนะทุกอรลัยสัตว์เกิดขึ้นแนละ้วว่าอะไรเพราะไม่อยายกให้เขาด่าใช่ไหมอืมค่ะงั้นเรกตอนนี้ทุกแนอริยสัต์เกิดจากภาะวตาะตัณหาหรือภาวะตัณหาอืมเพราะปอยญาอ่าอ่าเกี่ยวเนืเรื่องนิดนึงครับพระอาจารย์หลายครั้งที่ที่พอเราเรามีธรรมเข้ามาในน้อมเข้ามาแล้วเราเราจะไม่ค่อยอยากที่จะ ไปหาสิ่งเลาภายนอกที่เป็นอายตนะภายนอกรูปก็ดีเสียงก็ดีเราจะหลีกอย่างเงี้ยฮะเราคือโ ด, โดนเตือนมาว่าต้องเรียนรู้ต้องอยู่กับสิ่งเลาพวกนี้นะไม่งั้นถ้าหนีไปก็จะเหมือนพระที่ที่ศึกประเรียนก้าผมก็เออเราควรจะหลีกเล้นสิ่งใช่เราพระที่สึกไปกลับไปหามันมากกว่าเป็าบวชนะมันมันหลีออกมา เสร็จมันก็นหนีกลับไปหามันไม่ใช่มันแปลผิดไปหมดกี่เลยมันหลอกให้เรามองเผิดไปหมดการมาบวชนี่เครือหนีรูปเสียงเกล็ดรถเพื่ออยากไปอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มันตอนนี้เรายังอ่อนแออยู่สู้มันไม่ได้เข้าใจไหมไปอยู่ใกล้มันก็ถูกกีเลยดึงไปแล้วเองที่เสึกไปนี่ก็เพราะว่ามันมันทนไม่ไหวมันต้องกลับไปหารูปเสียงกินแล้วมันแทงเสร็จกัน ตอนที่เราเริ่มปฏิบัตินี้จิตใจเรายังอ่อนแออยู่เราต้องไปหาที่ทำทาการบ้านที่เงียบๆทำการบ้า น, รรารานสร้างพลังสืกฝึกซ้อมก่อนเมื่อเรามีพลังมีกำลังแล้วเราค่อยกลับไปอยู่กับโลกได้พระพุทธเจ้าก็ไปเปิดไม่เวท6หกปีพอตัดสินแล้วท่านก็กลับมาเทศสอนคนได้ค่ะ okay. สุดสุดท้ายครับอจารกะคื อ, อพรุ่งนี้ผมได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมสงบสงบห้าวันของมูลนิธิหลวงพ่อชาอยากอยากจะข อ, อการบ้านหลวงหลวงพ่อครับว่าในห้าวันนี้ผมควรทำอะไรให้คุ้มค่าที่สุดดิเพราะเวลาก็จำกัดก็ฝึกสตินะตลอดเวลาน่าจะเต็มยนดลแล้วก็ทำกิจตามที่เขาให้ทำตามที่เขาสอนไป สตเิเป็นตัวหลักของเราตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ให้ไปกินข้าวไปอาบน้าไปทำอะไรแล้วก็ทำตามที่เระสั่ไปเราทำด้วยสติพุโทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้ได้แต่ลมหายใจนี่จะใช้สำหรับเวลานั่งอย่างเดียวอาดเนดูร่างกายดูเท้าดูแขนดูขาดูกำลังกำลังทำอะไรอยู่ ตอนดูอริยบทย่อยนี่มีพุทโธมากำกับใจไหมครับหรือว่าดูไป่ลงกไม่ต้องกันนะแ ต, แต่กำกับก็นะ่าถ้าดูอริยบทแล้วมันยังเผลอไปคิดยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอยู่ก็ใช้พุทโธหนึ่งกลับมาครับขอบคุณมีเท่านี้ครับโอเคนะ<อ>เราไปทำดูไปไปปฏิบัติที่ไดนห้าวันนี้ชื่อมูลลนิชชิมายาโคตมีผมเห็นในเน็ตอะ่ะเลยอยากหาที่ปฏิบัติดู่ที่อยู่ที่ไหน ตอนนี้ผมอยู่รายกะ บ, บัผมเรียนย ม, มาที่ไปที่จะไปปฏิบัติอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองค่ะอยู่กรุงเทพกี่ทางครับเนีใช่แต่ว่าพอนั้นๆผมขออีกอย่างน่ค่ับมีพระวัดป่าหรือแบบสงบสงบเออผมก็ไม่เคยผมกำลังหาที่อยู่ครับมีมีที่แนะนำอลองลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะ วัดปฏิบัติเดียเขียนเขาว่าวัดปฏิบัติเงี ย, งยบๆเดี๋ยวก็มันโผก่ขึ้นมา ค, ครับแมาครับนะสมัยนี้มี Google ทำหน้าที่ให้กับเราแต่พอเราไปเสิร์ชผมก็เห็นวัดป่าหลายที่แล้วก็เราก็พยายามตรวจสอบซึ่งพอมีคอมเมนต์ไม่แต่ผมก็จะเอาตัวไปสัมผัสดูนะครับอย่างวัดป่าสุด สูกใจหรืออะไรเนี้ยที่อย่ใกล้การเขาใครเขาพูดอะไรก็ฟังหูไหวหูบางคนมันมีทั้งชอบไม่ชอบทุกแห่ง <ผม S 2> เลยแล้วการจิตตามก็เพียงแต่รับทราบไว้แต่เราต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเองพระเจ้าบอก่ารพิสูจน์อย่าไปพังอย่าไปเชื่อเขาอย่างเดียวฟังได้เอาหูไห้หูนแล้วเราต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่ ไม่งั้นจะมีทำไมมีทั้งพูดมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบใช่ไหมมันก็าวันนี้ดีก็มีวันนี้ไม่ดีก็มีแเราจะนนสร้างใครเอาตัวเราเข้าไปดีกว่าที่เป็นการอาจจะไม่ดีสําหรับคนอื่นอาจจะดีสําหรับเราก็ได้ใช่ไหมครับอาๆๆๆ่ามันยังเกงอ่ะมันขนาดมันไม่เท่ากันใช่ไหมคนที่ใส่แล้วมันเล็กไปมันก็ไม่ดีนะคนที่ใส่มันใหญ่ไปก็ไม่ดีๆๆมันดู มันแต่อาจจะพอดีสําหรับเราก็ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ไปลองใส่เราจะไปดูอะนะปาใจนะนะปาใจคัยครับกลับขครับคุณผู้อาจารย์ครับอ่าคุณยินดีอันนี้ยัง sun, อยู่แคนทราบอยู่หรือเปล่าค่ะท่านอาจารย์ค่ะอยู่ที่โรงแรมอยู่ค่ะท่าอาจารย์เดี๋ยวกำลย้ายอะค่ะท่านอาจารย์ได้บ้านหรืยังได้แล้วค่ะได้อพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็จองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ว่างเดือนมกราค่ะถ้าอาจารย์ต้นเดือนมกราก็ดีอยู่โรงานก็ดีอย่างไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องทำํำครัวโรงงานก็ทาอาหารได้จริงใช่ไหมเปล่าค่ะเออเขามีเอ่อเป็นครัวค่ะถ้าอาจารย์โรงงานแบบ ค, ครัวเลยทําอาหารน้อยเองได้ค่ะเป็นโรงแรมอพาร์ตเมนต์นะคะอืก็ดีดดอยู่ที่ไหนก็ได้ยินดีตามมีตามเกิดเหมือนชื่อเราใช่ไหมที่เรายินดี ก า, ารตายแต่ใของพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะใช่การแต่าจ เ, เราตามด้วยตามมีตามเกิดนํนาทุกคนตามมีตามเกิดนั <c oughs> <c oughs> น่นถึเป็นทุกคนได้นะค่ะท่านอาจารย์ค่ะถูกต้องเลยค่ะท่านอาจารย์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็ได้ได้คําสอนขอ ง, ของท่านอาจารย์นะคะก็ทําให้ชีวิตสบายดีขึ้นเยอะค่ะท่านอาจารย์อย่าไปจู่จี้จุกจิกวุ่นวายไปเปล่าๆคนเราสร้างเรื่องให้กับตัวเองไม่ใช่ ก็วางวางแบบเห็นไรแล้วก็วางเห็นไรแล้วก็วางเพราะบางทีแบบพอมันเป็นสวีทอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะท่าอาจารย์<ม>ที่แบบเขามีครัวให้แต่เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าอะไรอย่างเนี้ยค่ะเพราะเป็นหน้าหนาวเราต้องไปใช้ที่ส่วนรวมพอไปใช้ที่ส่วนรวมคนก็มีหลายพวกหลายหลายหลายหลายหลอย่างคือเขาทําแล้วบางทีคนเขาก็ไม่สะอาดอะไรเย่างนี้เราก็เห็นแล้วเราก็ทําไปก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่า ก็ทําไปสูงก็ได้ต่ําก็ได้ทําตัวให้ต่ําไว้เนี่ยค่ะถ้าอาจารย์หนูก็ไม่ได้ไปไปไปบอกเขานะคะว่าไม่เชื่อหรอเป่าไปไหม่ค่ะไม่ค่ะที่ไปซราก็ทราบเหมือนไปถ้ามันสมบูรณ์ก็ทําเช่นได้ก็เชื่อแท่เข้าไปก็แล้วกันใช่หนูทําค่ะท่านอาจารย์แล้วหนูก็ไม่อะไรนหนูก็หนูก็ใช้ของหนูเงี่ยแล้วหนูก็เดินเข้าห้องหนูไม่ไปบอกอะไรเขาคิดว่าก็อย่างที่อาจารย์สั่งสอนนะค่ะก็ไป ไม่ชหน้าที่ของเราค่ะถ้าอา<ห>จารย์ก็ปล่อยนั่นหนูก็ทําหนูคือไม่ทําไม่ทําเราก็ทําเพราะว่าเราต้องใช้เราก็ทําไปก็คิดไปอย่างเนี้ค่ะอาจารย์ก็โอเคค่ะแล้วก็เด็กก็ปากปามคิดถึงค่ะถ้าอาจารย์แล้วท่านเขาก็บอกว่าวันนี้อาจารย์มานะคือเขาจะเป็นคนค อ, อยเตือนหนูตลอดพรุ่งนี้อาจารย์มานะพรุ่งนี้อาจารย์มาปากอย่าลืมบอกท่านอาจารย์นะว่าบอลซองเต้นะหนูก็เลยบอกจ้าจ้าบอกว่าแมสซิโบกูนะ ค่ะ <okay. S 2> <jan. S 1> แม็ซิโบกูข้าอาจารย์ขอพระคุณอินทร์สูงข้าท่านอาจารย์ค่ะคุณผูพัฒนาจากบริัทกาลธรรมวสการพระอาจารย์้ะค่ะคือตอนนี้เนี่ยพยายามนั่งสมาธิแล้วก็เอจับจุดได้ว่าสติน้อยก็เลยไปเดินจงกรมข้าพระอาจารย์พอเดินจงกรมแล้วมานั่งก็ทําให้ให้นั่ง ได้นานขึ้นแล้วก็รู้ตัวได้รู้ตัวมากขึ้นจังหวะเพราะว่าในระหว่างนั่งมันมันเหมือนกับว่าเรายัางเหมือนใจมันหัวใจยังเต้นแล้วก็ตัวเรามันยังสะเทือนอยู่อย่างเงี้ยค่ะอืม<ด>ันก็เลยทําให้นั่งได้นานขึ้นนะค่ะอาจารย์อืเดินให้มันเหนื่อยหน่อก็ได้จะได้มานั่งได้นานขึ้นให้มันหมรงก่อนนัมันถึงมานั่งถ้ายังมีแรงเยอะมันนั่งแล้วมันจะกระโดดใหญ่จังหวะก็ใช้ ใช้ไม่ใช่อุบายให้ตัวเองเรียนยังคงนานๆเดียนจนให้มันจนกระทั่งเมื่อยนะไรอยเจ้าค่ะก็ก็เพียรตรงนี้อยู่วันนี้ก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาขอความคำทุาข์ค่ะค่ะทุกขอคุณเกิดจากจังหวัดแพร่เกษัชกรจบจากที่ไหนเกษตรสวัสดีครับพระอาจารย์ผมจบจากหัวเชียวครับ มันเฉียวใช่ครับนะทำไมอยู่ไปอยู่แพร่บ้านอยู่ด้วยบ้านอยู่แพร่บ้านอยู่แพร่ครับบ้านคุณแม่อยู่แพร่แต่คุณพ่อคนกรุงเทพครับแถวบางแวกภาษีเจริญนะไปเปิดร้านขายายายเองด้วยาทำโรงพยาบาลเปิดร้านขายายายเองครับ อ, อยู่ใช่<ๆ><ๆ>ก็ดูแลคุณแม่ไปด้วยดีคำกตัญญูนะก็ใช่ครับอันนี้มีเด่นเลยครับแต่ว่าเ้าก็ทําอนอนหอมจนแล้วก็ทําความดี สวายในหลวงครการที่เก้าก็ทําไปเรื่อยๆ<ด>แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปปฏิบัติธรรมมากกว่า<ช>ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปไม่ได้โดดเด่นอะไรนั่น้อยนั้นเดียใช่ครับยินดีจะมีตามเกิดก็ใช่ใช่ครับผมอันนี้มันเป็นหัวใจหลักของการใช้ชีวิตเลยครับเพราะมั น, <ช>มนเกี่ยวกับความสุขใจของเราเองใช่ไม่ต้องเดินดอนมากใช่มันเหมือนกับ เราได้ปฏิบัติจริงๆแล้วเราได้เห็นผลจริงๆเรามีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นด้วยนะใช่ครับผมเวลาเวลา<ม>ว่างจากการการขายยาในต่างๆเนี่ยผมก็ามานั่งสมาธิบ้างการพิจารณาทำคำสอนของวาจารย์บ้างเริ่มจากการเจริญสติกองกรรมฐานสีสิบกองก็พอมีสติแล้วก็บางจังหวะไ็จะมีการขัดเกลาจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ของใส ด้วยการทานศีลภาวนานึกถึงการทําบุญทำทา น, ทานรักษาศีลศีลของเราที่รักษาไว้แล้วก็การาภาวนาพุโทโธพุโทโธเป็นสมาธิต่างๆที่พายอาจารย์บอกว่ามันจะเหมือนน้ําแล้วก็เหมือนผ่งซักฟอกชีพชนิดธรรมดากับชนิดเข้มข้นครับมันจะได้กลิ่นเลยครับเราก็ใจ<ช><ๆ>เราก็จะถูกชําระความโลภความโกรธความหลงต่างๆออกไปจนหมดแต่มันก็ค่อยๆไปค่อยๆปฏิบัติไปนะครับมันไม่ได้หมดทีเดียว ใช่มันเหมือนกับโขกตอนไม้มันไม่ค่อย ต, ต่อเป็นแบบตัดตอใช่ครับผมตอนนี้ผมอาจจะเหมือนกับมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ก็ก็ยังพอผ่านผ่านเกณฑ์ที่ว่าสามารถปฏิบัติต่อได้อีกแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แบบสูงแบบแบบพระอรหันต์อะไรอย่างนั้นก็พยายามือนให้มันมีมันมีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องนะครอย่าหยุดใชอย่าทําทําหยุดหยุดทำแบบต่อเ น, นื่องทุกวันได้ยิ่งดี ค่ะพอาจารย์ผมก็จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับก็จนกว่าจะถึงขนิพานก็สวดถ้าสวดมนต์ก็อิทิบิโส อ, อย่างเดียวครับแล้วก็แห่เมตตาทุกวันฟ้าโอเคแล้วก็มี ม, มีมีคําถามอยู่ครับว่าถ้าจังหวะจังหวะที่เราเข้าสมาธิแล้วก็เหมือนกับเราเผากิเลสไปครับอาจารย์มันเหมือนเป็น เป็นตัวกิเลสครับเป็นเหมือนหนอนยักษ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็มีไฟเผาแล้วก็แล้วก็มันก็สว่างไปะครับสักพักมันก็จะสว่างไปหลังจากนั้นเราทำไงต่อครับอ๋อมันเป็นภาพหลอกครับนั่นไม่สําคัญนะไม่เราเราภาพปูแต่งเรา้อยู่เราให้อยู่กับลราหายใจแล้วอยู่รับวัฏโทไปให้จิตมันสงบ ถ้ามันสงบแล้วก็จะไม่มีภาพเลยปากดขึ้งๆมันก็จะว่างให้เฉยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเฉยไม่ต้องไปสนใจให้เป็นอปนาสมาธิอแล้วก็แล้วก็ฆ่ากิเลสไปตามปกติก็คือความโลภความกรดความโกรธมันจะถูกกำลังสมาธิกดเอาไว้มันไม่ตายอ๋อมันมันเห็นหินท่าย์เวลาจิตสงบเรื่องกิเลสมันมันตายมันไม่ตายพอจากสมาธิมาพอเริ่มคินเดี๋ยวกิเลสก็ออกตามมา ต้องใช้ปัญญาเราพตอนตายแล้วเวาอยากได้นะครับพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นตาล้วที่พอาจารย์สอนว่าสอนใจเราเองว่าอย่าไปอยากได้อะไรให้ยดีแต่มีความเกิดใ่ถ้าเราอยากได้มันก็จะทุกถ้าไม่ได้มาใช่ถ้าได้มาแล้วเสียไปก็ทุกเองใช่ครับมันร่วงพ้นไปไม่ได้ให้สอนใจเราเองใช่ไหมครับเราจะได้ไม่อยากพอเราไม่อยากกิเลกก็ตาย นายไม่เห็นผลมันไม่ได้ตายด้วยกําลังของสติกดเอาไว้โดยปัญญาหนึ่งนะปัญญาก็คือเ ห, เหเ็นผลเนี่ยเห็นผลตามธรรมชาติอญญาจารย์ครับถ้าอย่างนี้ผมเก่งว่าคือคิดเองผมชอบคิดมากว่าโลกหน้าว่าถ้าแต่ดเราตายแล้วเราจะกลับมาเกิดแล้วเราจะปฏิบัติต่อได้ไหมอย่างนี้ได้ครับปฏิบัติทิ้งหนแล้วก็มาทําต่อเหมือนการเราเรียนหนังสืออะ จบปีสองแล้วย้ายไปอยู่อีกจังหวัดนึ่งแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดต่อนั้นก็เป็นปีสามไปไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ปีหนึ่อ๋อแต่ก็ได้เป็นลีลาเหมือนกันแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเรงทําสมาธิได้แล้วก็ไปทําสมาธิต่อแล้วไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นให <ไป S 2> ม่อ๋อคือไม่ไม่ต้องแล้วคือก็ไปทำสมาธิแล้วก็มันดูวิธีรู้วิธีก็จิตมันตัวเดิมแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายนั้น ร่างกายไม่ใช่เป็นตัวที่ทําสมาธิตัวที่ทําสมาธิคือตัวจิตครับเข้าใจแล้วครับก็สามารถทำต่อได้ทุกอย่างขึ้นกิเลสได้เลยการย้เงินกับย้ายบ้านย้ายจังหวัดไปวันนี้กิดบัติเหตุที่เราอยู่นี้บ้านร่างกายนี้มันตายเป็นที่เหตุได้เห็นเอแล้วก็ไปได้ร่างกายใหม่แล้วก็ไปต่อเพิ่งเติมมันอาจจะใช้เวลาไปจะโตขึ้นมา ต, ตั้งแต่เด็กมันก็จะมีนิสัยเดิมอยู่ มี่สายเดิมผมนมี่ไม่เคยพูดค่อยจากับใครเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาไปเกิดบางมันก็จะเป็นแบบเดิมสายจะจำจําความได้ง่ายจําความได้ง่ายคือประมาณเข้าอนุบาล น, นี่ก็จะเริ่มจําความได้เลยครับอ่าจด้เอาสติเนีไม่นะครับก็อืมถ้าสติไม่ดีมันจําไม่ได้ บางอย่างก็พูดไม่มันไม่มีเหตุผลนะครับอาจารย์พระอาจารย์ไม่อย่างเราวิธีพายไม่ได้ด้วยเหตุผลมันยังเป็นมันยังเป็นนิสัยของเราอยู่สติยึดตามไม่ทันอยู่ใช่ครับใช่ครับไม่ได้หรือไม่ได้ขนาดนั้นก็สติไม่ไมีหลายระดับทีพูดเนี่ยแต่ไม่ถึงท่านมหาสติเพราะพระไม่ไมมต้องเข้าขั้นสัญญาเข้าละละสักกราระทิฏฐิให้ได้ก่มันต้องไปขั้น ท่านาสติครับอันนี้ผมละค่อยๆฝึกนาก็ส่วนใหญ่ถ้าจากเทคนิคของผมนี่คือถ้าเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยก็จะสักพักก็จะหายไปอารมณ์บางต่างที่เกิดขึ้นในใจสักพักก็ดับไปครับเหมือนเราแค่สักแต่ว่ารู้อ่าเราอย่าไปทำํำอย่าไปดีใจเสียใจไปกับมันเฉยๆไปใช่ครับมันมา<ป>แล้วก็ผ่านไปดีชั่วะมะไรก็มาแล้วก็ผ่านไป ใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงครับสักพักก็หายไปเฉยแล้วก็แเราก็นิ่งสงบอยู่ยังไไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปด่ากันไม่ต้องไปทเลาะกันไม่ต้องไปตีกันครับใช่ส่วนใหญ่จะเรียกไหมอาจารย์สอนให้เรียกนะให้เรียกนะเป็นชนะมางนาใช่ยอมแพ้ยอมหยุดเย็นเอามาสอนแก่ตัวเองตลอดโอเคเอาเท่นี้ก่อนนะสาธุครับโอเคคุณวรนิดีแชม์วรนิดีอยู่ที่ไหนคุณวรนิดี สุรินใช่ไหมเจ้าจมเทพเจ้าค่ะกล่าวมาสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มีค่ะอยู่สุรินเจ้าค่ะค่ะพอดีว่าหนูหนูขอเท้าความนิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่ามีข้อสงสัยค่ะได้ได้ค่ะพอดีว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอพระพุทธศาสนานะเจ้าค่ะก็มีความเชื่อในเรื่องของการบูชา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เคยเคยเหมือนเป็นร่างทรงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นความเชื่อหนูก็เลยเอเนี้ยก็ไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่นั่งสมาธิเพราะว่าถ้าสมมติว่า น, น, นั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันเป็นความเชื่อในใจลึกๆว่าเราจะเป็นสิ่งนั้นมันก็เลยทําให้เราเราเหมือน บ, บังคับตัวเองไม่ได้อย่างนี้นะเจ้าค่ะต้องฝึกสติให้มากเอาฝึกสติได้แล้วมันมันจะมาไม่สามารถมาทําอะไรเราได้เราให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหมันก็จะคิดไม่ได้คิดเราก็ไม่ไปนสนใจมันเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมันอย่างเดบเชื่อมในทุก่แค่ความคิดความเชื่อนั่นเองค่ะแต่ทีเนี้ยหนูหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเจ้าค่ะแต่ว่า หลังจากที่ที่มาฝึกนั่งสมาธิโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ศรัทธาแล้วอย่างเงี้ย น, นะเจ้าค่ะก็สามารถนั่งสมาธิได้จเจริญสติได้แต่นะครั้งเนืองหนูได้ไปไปที่วัดป่าก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมก็เลยถือโอกาสเดินจงกรมเป็นทางเข้าป่าช้านะเจ้าค่ะก็ก็อยากอยากจะเข้าไปในที่ที่สงบด้วยแล้วก็ เ, เหมือนกับไม่ได้รู้สึกกลัวหรืออะไรนะเจ้าคะแต่เพียงแค่ว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่เราเดินอยู่ในในป่านะเจ้าค่ะคือเหมือนสมองมันตึ๊บตื้ตื้อตื้อเหมือนกับเราเหมือนจะบังคับตัวเองไม่ได้หนูก็เลยพยายามดึงสติมากๆแล้วก็พยายามเหมือนสู้กับอะไรสักอย่างเจ้าค่ะแล้วก็ก็เลยรีบเดินออกมาทีเนี้ยเอ่อ สวัสดีทีนี้แล้วก็น่าจะเป็นวันจันทร์ด้วยนะเจ้าคะ่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดหนูก็ว่าจะถือโอกาสไปไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะว่าที่นั่นสงบนะเจ้าคะ่ะก็เลยว่าหนูควรจะยังเดินจงกรมเข้าไปในป่า น, นั้นอีกไหมเพื่อที่จะหนูเคยคิดว่าถ้าสมมติเรากลัวมากๆอย่างเงี้ยนะเจ้าคะ่ะมันเหมื น, มนเราจะได้ฝึกสติมากๆก็เลยก็เลยอยากจะได้คําแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะ กอยู่ที่ว่าสติเราหนึม่มากพอที่จะสู้กับเหตุการณ์ได้หรือเปล่าก็ลองดูไปพอแล้วรู้สึกท่านจะไม่ดีก็ถอยกลับไปก็ได้ถ้าคิดว่าใช้สติอยู่ได้ก็ใช้สติต่อไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรถ้าทำนี้ได้ก็ไปได้ถ้าพุทโธได้เดี๋ยวพุทโธหายแล้วคิดเรื่องผีเรื่องอะไรขึ้นมามันเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้ค่ะ เหมือนเหมือนใจไม่ได้คิดถึงว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่เพียงแค่ว่าเหมือนอยู่ดีๆเดินไปแล้วมันก็ตื้อขึ้นมาเหมือนกับสู้อะไรสักอย่างแต่ว่าก็สามารถที่จะสู้ได้อยู่เจ้าคา่ะณตอนนั้นแต่ก็รู้สึกกลัวว่ากลัวเหมือนอย่าอย่าอย่าเพิ่งเสพแต่ก็ใช้สติอยู่กับมันมันมันก็ยังไม่เตื่อค่ะพอ <uli S 2> มัเนเตื่อพอพุทโธวะพอพุทโธระหี่ไปมันก็เตื่อเป็นไป<ร><า> ใช่เจ้าค่ะก็เลยก็เลยว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่ามันมันก็มีความรู้สึกว่าอยากอยากสู้กับกรครอบครัวเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้องใช้พุโทโธต้องใช้พุโทโธว่ามาเริ่มตู้ไว้เราต้องเอาพุโทโธมาละไปบริกรรมให้มันไปกับพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกต่างเจ้าค่ะต้องลงองทำอยู่นะค่ะ เขาวิธีก็คือบอกว่าตอนที่ไปปชัชช้าตอ น, น, นแรกแรกให้ไปกลางวันก่อนอย่าไปตอนคืนไปกลางวันเจ้าคะวันนั้นก็ไปกลางวันทำไปกลางวันก่อนเราไปพอไปกลางวันไดนะ้แล้วที่นี้ก็ต้องไปลองไปกลางคืนด้วยไปกลางคืนจริงๆริจริงจไปกลางคืนไปไปได้นะเจ้าค่ะแต่ไม่ได้กลัวสิ่งสิ่งวิลับแต่เรากลัวกลัวคนนะเจ้าค่ะ <c oughs> เพราะว่ า, าเป็นค่า มันน่าจะไม่คงจะไม่มีใครไปป่าชาหรอมัน่าจะประมาณนั้นจ้ะค่ะเดี๋ยวจะลองไปกลางวันลองฝึกสติตรงนี้ดูแต่ว่าจะไม่เข้าไปลึกมากเพื่อที่จะดูตัวเองก่อนว่าสามารถจะควบคุมตัวเองได้ไหมได้พอเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาทัศนดติขเราเพลิสติแล้วต้องเรีนหนึ่งพุทโธกลับมาอันนี้สามารถทำได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้แต่ถ้ามันรู้สึกว่าไม่ไหวก็ถอยถอยก่อน ครับไม่ตั้งหลักเค่ะโอเคนะเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณวลิตาวลิตก็ทหายหน้าไปไหนมาหลวงพ่อก็อะไรนะครับหลวงพ่อหายหน้าไปไหนมาไายหน้าไปอยู่ดูทางข้างนอกครับแต่รู้สึกว่าก็ควรเข้ามาข้างในครับก็แบบเพราะผมชอบมาถามอะไรที่มันรู้อยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรารู้อยู่แล้วจะมาถามท่านทําไมโวประมาณนั้น ก็มาตั้งใจกนก็แล้วกันทำไมห น, น้าก็แล้วกันครับก็ระหว่างสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็มีจัดทําบุญบ้านครั้งหนึ่งก็นิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านไมเคยอยู่กับหลวงตาหมาบัวเหมือนกันท่านก็เทศไม่เทศไม่ถึงสิบนาทีพอท่านก็ชร า, ามากแล้วแต่ว่าแบบมันถึงใจมากเลยครับก็แบบเรื่องลุกขมูลอะไรแบบนี้ครับให้ความเอาความกลัวในสถานที่ต่างๆมาเพื่อผักดันในการปฏิบัติตัวเองซึ่งมันโอ้ เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเออเราขาดตรงนี้ไปนี่เองก็แบบน้ําตาไหลไม่รู้แล้วก็ดีใจที่ให้คุณยายที่ชราภาพมากแล้วได้ได้เข้าหาครูบาอาจารย์ว่าคุณยายเขาเดินทางไปไหนมาไหนไม่ไม่ได้เหมือนมื่แต่ก่อนแล้วอย่างนี้ก็แบบแล้วก็แบบมียัดญาติเคพื่อนแม่อะไรอย่างนี้มาโดยที่เราเป็นคนแบบตัวตั้งตัวตีในการนี้มลหลวงปู่มาแล้วก็เออธรรมะแล้วทานเราก็ได้ทําศีลแล้วก็มีอยู่แล้วภาวนานแล้วก็ได้ฟังเทศน์ฟังคำนั่งส ม, มาธิรู้สึกว่าเป็น ให้คนอื่นได้เข้าใกล้ด้วยวกันก็เลยเกิดปิติใจตรงนี้เหมือนกันครับหลวงพ่อโอเคมันมีอะไรยังไก็มีนิดนึงครับก็รู้สึกตัวเองตอนประมาณสองปีที่ผ่านมาผมชอบมาถามคำถามหลวงพ่อบ่อยๆว่ารู้สึกตัวเองไม่มีค่าทํางให้มีค่าเออรู้สึกว่าการศึกษาศา ส, สนาพุทธให้ตัวเองมีค่ามากขึ้นเลยแบบค่าค่าที่ว่านี่มันเออมันทําเองได้เองแต่ว่า ก็บารมีต่างๆนะให้สร้างบารมีขึ้นมามันก่จะมีค่าเนึ่ยนะสร้างเมตตาบารมีทานบารมีสินบารมีเป็นต้นค่าที่ว่านี่อยู่ในไตรลักษณ์ด้วยไหมครับที่มันเกิดขึ้นตั้งอู่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวไม่อยู่ไม่เกี่ยวนะครับมันมันจะเป็นไตรลักษณ์ก็ช่างมันมันมันมันเราไม่มีก็สร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็จะมันก็จะอยู่กับเรามันไม่มันไม่ได้เสื่อมเหมือนกับรูปเสียงเกล็ดรอดต่าง ก็ทุกวันนี้ก็เข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นว่าเกิดมาเพื่ออะไรครับก็ขอบคุณหลวงพอ่อตลครับแบบเดินเดินอยู่กลางวันเปิดยู u b e หลวงพ่อฟังสามวินาทีจิตใจมันก็ลงสงบเลยขนาดแบบไม่ต้องนั่งสงบนะแต่แบบแบบทำเปิดสามวินาทีก็สงบโอเคนะท่านอทจารย์ันก่นนะขอบคุณหลวงพอ่อมขอหลวงพอ่อสุวภาพแข็งแรงครับสาธุคุณจิมแม่อะเจอร์เรสเบิร์กเจอ์สรกกาสาคค่ะท่าอาจารย์ อาจารย์สบายดีนะค ะ, ะสบายดีนะค่ะค่ะโยมก็ไม่มีคําถามค่ะเข้ามานั่งฟังค่ะก็พยายามปฏิบัติเรื่อยๆค่ะวันนี้ไม่ทํางานวันนี้ดำค่ะอยู่ที่ทํางานแบบเผอิญ เ, เดือนนี้เดือนธันวามไม่ค่อยมียุ่งเรื่องภาษีแล้วค่ะโยมอยู่คนเดียวในออฟฟิศก็เลยสบาย <laughs> เป็นออฟฟิศเป็นของเรา เมื่อกี้โยมก็ไปเดินว่าจะเดินตรงกรมมนนนันเป็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องเป็นทางถงเดินได้ะคะ่ะเพราะกะว่าเดี๋ยวฟรรยังแม่อาจารย์จบแล้วถ้ายังไม่มีใครมายอมก็จะเดินในในในเนี้ยะค่ะพอข้างนอกฝนตกค่ะค่ะไม่มีะนะท่านนี้ก่อนนะไม่มีค่ะแม่จารักษาสุขภาพนะคะค่ะจุนมาลีกาอกชยาเลย กลาวนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เข้ามาเรื่องฟังธรรมด้วยกับพระอาจารย์เจ้า่ะไม่มีคําถามนะคะพระอาจาราย์ค่ะคุณช ย, ยนิลคุณหน่อยชัยนิลกลาวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยนินชัดเจนเจ้าค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยว อ, อันคลิปนี้จะเพิ่มความเพียรเจ้าค่ะเป็นสองวันเจ้า <laughs> <laughs> อาจารย์เจ้าคะอย่างถ้าจิตเรานิ่งมากการที่เราเห็นตัวเองแสดงว่าเขาเข้าไปอยู่ในท้ำใช่ไหมเจ้าคะไม่ไม่ไม่คือเวลาจิตสงบนีมันไม่เห็นอะไรจะเห็นแต่ตัวรูปตัวเดียวอืมถ้าถ้าเห็นตัวเองนั่งสมาธิไม่ใช่แล้วใช่ไหมเจ้าคะเห็นตัวเองเห็นแบบหลับตาแล้วเห็นแบบนปิดตาหลับตาเจ้าค่ะ อมันก็เป็นมนโนภาพนั่นเองอ๋อก็ก็ยังต้องตามพุโทโธอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆมันยังไม่ว่างถ้ามันสงบแล้วมันจะว่างมันไม่เห็นอะไรเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะเล่งความเพียรเจ้าค่ะคือถือศีลแปดพอรู้สึกว่าอืมเตียงนอน แต่ก่อนที่เคยบ่นว่าเตียงนอนแข็งๆตอนนี้อดสู้นอนนอนพื้นแข็งกว่าเยอะเลยอนอนได้ไหมนพื้นได้ไหมต้องนอนได้เจ้าค่ะก็นอนได้แต่ก็เหมือนกับว่าหลอกตัวเองไปว่ า, เ, าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกวันสองวันเราก็ได้นอนบนเตียงอะไรอ่าทำมันหลอกตัวเองอยังอีกวันสองวันกน็นอนพื้นต่อไปเลย ถ้ามีอยากจะไปนอ น, น, นตอนเด็กก็มาให้ผมอนค่จก็รู้สึกว่าอืแต่ก่อนก็บ่นเนาะแต่ตอนนี้ก็นอนเราถ้าเจ็ดวันดูเลยตอนนี้มันเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดคืนไปเลยนอนนอนกับก็เป็นบบแข่งมากแล้วคะ่ะนอนแบบปวดปแข็ง ป, ปวดคับนอนสองคืนได้มันก็นอนต่อไปได้จะค่ะไหนคิดว่าทําได้คือ ถือศีลแปดก็ยังได้เจ็ดจดห้าอยู่ดีนะป้าจังยังแบบค่อยค่อยค่อยฝึกไปเรื่อยๆแต่ก็ได้แต่ไม่เจ้าค่ะยังแบบว่าไอ้ห่วงสวยยังทาครีมยังฉีดน้ำหอมนี่มันไม่ได้เนี่ยเป็นผู้หญิงนี่ไม่กลัวตายแต่กลัวหนังเหี่ยวจริงๆแล้วค่ะหลับไปได้ ทำเลยะรับ ไ, ได้ไม่ได้มันต้องหิวนีแน่เลยม่ใช่ใ <ๆ S 2> ค, <น S 3> คือาทั้งที่รู้ว่าตัวเองยังไงก็ต้องตายอยู่นะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังเอก็คิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเดี๋ยวันหนึ่งมันก็จะยอมรับความจริงเองเจ้าค่ะเจ้ า, าค่ะแล้วไม่มีอะไระ ไ, มไม่มีอะไร <ๆ S 2> ค่ะขอบคุณคําถามของญาติธรรมมากเลยนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าถ้าคือบางทีอ่ะ ด้วยความที่หน่อยอะคิดไม่ออกหรอกแบบแต่ก็เจอปัญหาสภาวะธรรมเหมือนกันแล้วทีนี้การที่มียติธรรมถามอย่างเงี้ยเจ้ค่ะก็เหมือนว่าไอเราเจอแล้วเราเจะอ อ, อ, อย่างนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้ค่ะได้ดีในการชนะธรรมวันดีอย่างนี้มันมีวความกิจแทบหลากหลายเจ้าค่ะโอเคนะปฏิบัติตามไปนะเจ้าค่ะโอเคคุณปางวะลายจากศรีราชาชนบรี ครับในมัดกาักรจรรดอาจ า, ารย์เมื่อหลายๆวันมาค่ะไม่มีโอกาสได้ได้ไดู a c e b o o k ของเพจหนึ่งซึ่งเขาเป็นพูดถึงเรื่องของออการขุดค้นพบโบราณคดีอะค่ะเช่นพวกโครงกระดูกของทางฝั่งตะวันออกกลางแล้วหนูว่า เหมือนกับเซฟภาพไว้ค่อนข้างเยอะค่ะเป็นรูปโครงกระดูกในในสุสานพอพอกลับมาดูเยอะๆค่ะมันมันเหมือนกับพอเรามองเห็นคนหรือมองเห็นผู้คนเนี่ยเราก็จะเห็นโครงกระดูกปเป็นคือเหมือนจิตมันเห็นไปเอแต่ว่าตัวก็ยังเป็นตัวคนปกติไหมเจ้าคะ่ะเออมันก็มันเป็นสิ่งที่มันจะมาเป็นส่วนประกอบของการมองคนต่อไป ตอนเราไม่เคยเห็นโครงกระดูกเหมืนกัเลยเพราะเราก็เลยไม่รอโครงกระดูกมันก็นี่เรแค่ตอนแรกหนูนึกว่าตอนแรกที่ที่ญาติทำพูดถึงเรื่องของการเห็นโครงกระดูกนึกว่าเขาเขาเหมือนเขามีตาทิปอะค่ะหนูก็เลยยังงงๆพอพอเมื่อวันสองวันเนี้ยหนูก็เลยมาอ๋อว่าอ๋อมันเกิดจากจิตเราจิตเราพอคิดถึงมันมันก็เห็นอย่างแี้วค่ะทีนี้ก็เลย ปีกลับมาที่ตัวตัวลูกอย่างเช่นลูกกลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะแล้วส่งกลับไปเชียงรายเรียบร้อยแล้วหนูหนูก็มีความพอพอเห็นโครงกระดูกเยอะๆหนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีความความรักความสุขความผูกพันอะไรมากก็คือเป็นทําหน้าที่เป็นแม่ธรรมดาธรรมดาที่ดูแลเขาระหว่างที่เขาอยู่อ่ะตอนแรกก็คิดถึงเขาพอาเขาไมาอยู่ก็เฉยๆแล้วเงี้ยค่ะมันก็เลยเดี๋ยวอาการหนึเดี๋ยวอาการเป็นโครงกระดูก ใช่ไหมก็ค่ะดีค่ะเจ้าค่ะผมชอบเจ้มันมีความปรดุงอแล้วแต่ต่อไปมันก็จะมันก็จะผลมาเห็นแ่บเต็มที่เจ้าค่ะขอบพระคุณจ้าค่ะโอเคคุณ okay. ปิษณานปทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวข้าไปก่อ น, มามา เ, นเอาเมานะคุณปิศณาชั่นคุณปิศณานอยู่ที่ไหนเปิดไมคก่อน พูดได้เลยกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินคือฟังพระอาจารย์มานานพอสมควรค่ะวันนี้คือเป็นครั้งแรกที่หนูเข้ามาในสูงอยากมากับนามัสการพระอาจารย์ค่ะช่วยไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนนะหนูอยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอ่าหนาวมันอนที่หนาวไหมหนาวคะ่ะพระอาจารย์ช่วง น, นี้กําลังแบไปอยู่มานานไหมคะ ไปอยู่มานานไหม อ, อยู่ที่นี่เก้าปีแล้วค่ ะ, ะค่ก็ดีได้กลับมาเยอะมากแล้วเพราะว่าอ๋อหนูไม่ได้กลับมาห้าปีแล้วค่ ะ, ะ, ะปีหน้าว่าจะกลับค่ะพ อ, ะ okay. อะดีติดติดทุระทางครอบครัวเออแม่สามีไม่สบายก็ต้อ ง, ต, องต้องอยู่ที่นี่ยาวอตอนนี้ท่านเสียแล้วก็ปีหน้าก็ก็จะกลับบ้าน จะมเยี่ยมพ่อแม่ทางนี้มียังมีเยอะบ้างเหลแต่แม่ค่ะแต่โทรคุยกับท่านทุกวันแทบทุกวันค่ะค่ะมีอขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะดีใจค่ะวันนี้ได้ได้เข้ามากล่าบอ่าใชุ่กอย่ศัอ่าคุณกิติศักดิ์กอธรรมการรำมรร่ะอาจารย์อ่ มีคำถามครับอาจาย์ครับคือเอ่อเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบในทุกๆวันนะครับมันเหมือนมันเอ่อกดการมาราคาของเราเอาไว้อ่ทีนี้มันมันไปโผลตอนนอนนะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นความฝันหรือทางทางความฝันทางร่างกายเรามีอันนี้มันไม่สำคัญใช่ไหมครับ ไม่ทำงานเพราะว่าเราเราหลับนี่เราไม่มีสติควบคุมใจมันเคยคิดอะไรได้มันก็คิดตามที่มันเคยคิดวิธีแก้งก็เริ่มมันคิดอสุภะบ่อยๆ้ต่อไปเวลาฝันมันก็พอเป็นฝันทางการบลาเขาอสุภะมันก็จะตามมาโอ้ค่ะแล้วต่อไปมันก็จะไม่ฝันอสุภะมันจะมาลบมันอกไปเพราะว่ามันสงบมันก็ในมีชีวิต ปาะจำวันมันก็ไม่ได้มีความคิดอะไรแต่ก็คือให้เพิ่มการพิจารณาสุภาเข้าไปด้วยหลัจากที่สงบแล้วกาแสดงว่าถ้าเราหลับหลับยังฝันถึงมันอยู่แสดงว่าเรื่องเรื่องในจเรามันยังมีอยู่อรัใช่ครับเราก็พยายามพิจารณาสุภาเนื่อยไว้ไว้ต้านเหมือนครับคับอาจารแล้วก็ออ่ที่เมื่อสักครู่มีเลือนถามคือถ้าเกิดเราปฏิบัติแล้วชาตินหน้า เราก็จะปฏิบัติต่อแต่ออย่างสมมติชาตินี้ครับอาจารย์กว่าเราจะมาเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งซาบซึ้งใจนี่ก็อายุก็เยอะแล้วตอนช่วงวัยเด็กก็มีทําอะไรที่มันปิดศีลไปอ่อนั่นแปลว่าเราก็ยังไม่เคยสัมผัสกับพุทธศาสนามาก่อนใช่ไหมครับมันก็เป็นไปได้ก็พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่นานๆจะเกิดขึ้นมาสักครอ้ง มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเกิดไปแล้วชาติหน้ากว่าจะมาเจอกว่าจะรู้สึกรึึึึึมึหึึึึึึึึึึึนึออึึึึึึึึึึึึึึึงึึนึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึอึึึึึึึึึึึเึึึึึึึึึึึึึึมันมันอยู่ในจิตชนะึตึึจจึึึึึึึึึึึึึึึจึึึึึึึึึึนะเพราะว่าถ้ามันยังไม่ได้เป็นึึึนแบบว่าึ่านอึึยะึึึึึึึึึึึาจึึไม่จางไปได้ เอาไปให้เวลาผ่านไปนานๆครับฟังพี่แจนบอกว่าเอ่อเวลาจิตมีบุญกับบาปเท่ากันแล้วมันจะกลับมาเป็นมนุษย์ทีนี้เวลามันเท่ากันแล้วเราจะมีโอกาสผิดศีลอย่างเงี้ยมันจะต้องมีวิธีป้องกันยังไงให้เราไม่ไปทางผิดศีล่ให้เราไปทางธรรมก็พยายามรักษาศีลไม่ให้มากๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปอืมครับ ผ่าฌานแล้วอันสุดท้ายคือตอนที่นั่งสมาธิครับภาวนาอาสงบเริ่มต้นแล้วก็ก่อนไปช่วงหนึ่งมันจะมีเจ็บเจ็บช่วงนี้เจ็บขาเจ็บขามากๆก็เลยทเทิปตามพผ่าฌานบอกคือเพ่งเข้าไปภาวนาเข้าไปที่พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวคือเพิ่มกําลังเข้าไปครับมันก็สักพักหนึ่งมันก็หลุดเข้าไปในความสงบไม่มีลมแล้วก็ร่างกายก็ เบาแต่ยังรู้สึกถึงร่างกายอยู่ยังไม่เจอผู้รู้เพียงอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนก็ได้ถ้ามันสงบร่างกเราไม่ไปเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายไม่ใช่ได้ครับแต่มันก็อาจจะเป็นแบบที่มันยังไม่ถึงยังไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยยังไม่มได้ตั ด, ดขาดแต่ร่างกายครับถ้าเต็มร้อยนี่คือต้อง ไหว้ไม่หมดในหน้าตากลยอยครับไม่ยืนในอวกาศรััพระอาจา์เดี๋ยวพระอาจารย์ขออนุญาตไปไปชั้นแบบนะครับสุขสามริบเขอบคุณต้องติดต่อกับพระนะานพระรย์ครัพระพาารขอบคุณคระพระอาจาสาธุครับน้โมรอขอธรมน้โมนอธรรมสการนครับพระอาจารย์วันนี้ตอนแรกไม่แน่ใจจะได้เข้าหรือเปล่างานรัดตัวเต็มไปหมดเลย มันตัดสินใจต้องเข้าครับอาจารย์อา <c oughs> จารย์ first priority ข <c oughs> <c oughs> องผมเลยครับผมดีครับอาจารย์วันนี้มาส่งกันผ้านครับแล้วก็มีคําถามกับอาจารย์ <c oughs> มากมากก็คือการบ้านที่อาจารย์ให้ไปฝึกทั้งเรื่องของอุปเปบกขาการพิจารณากระดูแล้วก็เจริญสติก็พยายามครับอาจารย์ซึ่งก็จะทําได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่วันครับอาจารย์มันจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เพราะว่า มันก็ยังมีงานของโรงเรียนครับอาจารย์แต่ว่าพอเวลาที่เราไม่ได้เจริญสติอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็จะไปอเน้นในเรื่องของกระดูกกับปัญญาครับอาจารย์เน้นในเรื่องของการพิจารณาใจรักว่าเออมันไม่เที่ยงนะนู่นนี่นั่ น, นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ดีครับอาจารย์แล้วก็จะพยายามเวลาเกิดเรื่องอะไรก็จะวักพยายามวางใจเป็นกลางครับอาจารย์ไม่ไป ถูกหรือสุขกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับอาจารย์ก็ทําได้นะคก็ทำได้ครับอาจารย์มันหลังใครเขาว่าเร า, เราเฉยๆได้ไก็ได้ครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะได้แต่ถ้ามันแบบว่าแล้ววันนั้นคือสภาพจิตใจเราคือไม่ได้ฝึกมาก่อน ในวันนั้นนะครไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตัวไว้อาจไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไว้ครับเหมือนนั่งหวยไม่ได้ซ้อม ไ, ไม่ได้ซ้อบอะไรโดนน็อกเลยครับอาจารย์น็อกน็อกเละเลยครับอาจารย์ไม่รอดครับอาจารย์อันนนเราประมาณนักษาสเตจครับอาจารย์แล้วบางเทียครับอาจารย์อันนี้ผมอยากถามอาจารย์ครับคือเหมือนเราเชื่อมาตลอดว่าถ้าเราทําเหตุ ให้มันดีผลมันก็ต้องดีอะค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนเวลาเราทํางานส่งอาจารย์พว ก, กอาจาอย่างเนี้ยคะพระอาจารย์ <c oughs> บางทีเราคาดหวังมากคือเราทําแบบตั้งใจทุ่มเททําสุดๆแต่ครูเขาให้แบบคะแนนเราต่ <c oughs> นะํากแล้วเราคือแบบคือเราก็พยายามอุเบกขาครับะอาจารย์แต่มันก็มีบางครั้งที่แบบยังกลับไปย้อนคิดว่าเอ๊ะเราแล้วเราก็ไปคุยกับเขาเขาก็คือเราก็เหมือนรับฟังที่เขาให้ ํำแนะนำฟีดแบ็กกลับมาแต่มันก็ยังแบบแต่เราก็ทำตามสเปนทำตามคราทีเรียที่เขากำห น, นดไว้ครบนะทำไมเขาถึงมาตัดเราอะไรเงี้ยครับอจยอยาอย่าไปอย่าไปสงสัยเลยคิดว่ามันดีสำหรับดีของเรากับดีของเขาไม่เหมือนกันเ่กันเราคิดว่าดีแต่เขาก็คิดว่าไม่ดีก็จบนานาจิตต์ังไม่ต้องไปหาเหตุผลนะครับอาจารย์แล้วก็ได้ฝึกได้ฝึก ปัญญาด้วยครับเพราะว่าเอาสันโดษก็ยินดีตามมีตาเกิดไม่ทำไปสงสัยไม่ทำไปครับอะไ ร, รไให้มันมีเรื่องมีตาวขึ้มาครับอาจารย์ได้ฝึกไปรักครับเพราะว่ารอบนั้นได้คะแนนดีสักักได้คะแนนไม่ดีไม่ติดตัวครับอาจารย์ไม่ไม่แน่นอน <c oughs> บางวันอาจารย์่อวันตรวยก็อาจจะตามเลย อ, อ, อะไรเข้าไปก็ได้ <c oughs> อาจารย์เราก็ไม่เถียงเขาครับแล้วก็ยิ้มแย้มเดินเข้าไปคุยแบบว่าเวลาเขาเห็นผลนะฟังว<ป>่าเขาเห็นผลแล้วฟังว่าดูมันฟังขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นก็รับฟังไว้ไม่ถ้าไปเถียงกันไ ม, ไม่ไม่เถียงครับพระอาจารย์รับรู้ครับแล้วก็ไปแก้ไขครับคราวหน้าครับอาจารย์ก็มีประมาณนี้ครับพระอาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้จะส่งสอบแล้วครับพระอาจารย์อาจารย์ไว้พร้อมหน่อยครับ เอออัตราเหตุตโนนานได้ดูหนังสือเยอะดูหนังสือเยอะครับผมอาจารย์ไม่มีแมจิกไม่มีแมจิกอะไรที่จะไปเสกเปล่าให้สอบได้ต้องเป็นดูหนังสือครับอาจารย์นะได้ครับอาจารย์เรื่องสุดท้ายครับอาจารย์เห็นอาจารย์ตั้งซื้อให้คุณายินดีตั้งเสื้อใผมบ้างสิครับ มันต้องบป็นเป็นเรื่องการทหารมันเราไม่ได้ไม่มีเหตุให้ตั้งเอาหน่งโมไปก่อนก็แล้วกันครับอาจารย์ได้ครับขอบคุณสำหรับที่ม่ครับอาจารย์ครับวันนี้มีเท่านี้ครับอาจารย์กขอบขอบคุณอาจารย์ครับ ค, คุณนริตาเชิญน ล, ลิตาอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนน้ัมการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอยู่ที่ไหนจ้าอยู่นครราชสีมาเจ้าคะ่ะ เคยเข้ามาได้วใช่ไหมเคยเข้ามาแล้วยังอ๋อเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเจ้าคะา่ะว่ามีอะไรอย่างไรเจ้าคะ่ะมีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสังโยเจ้าคะ่ะเรื่องการละวิจิกิจฉาว่าว่าเหมือนเหมือนเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าใครคือพระอาหารหันต์จริงๆแล้วเหมือนถูกสอบอารมณ์ทางนิมิตเจ้าคะ่ะว่าแล้วเหมือนกับ พอเราอ่านของครูบาอาจารย์บางท่านว่านิพพานไม่ใช่เมืองแก้วเป็นสภาวะอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็จะมี อ, อีกอีกบางองค์ที่เรามั่นใจว่าเป็นพาาระอรหันต์ว่าเหมือนความเชื่อของของหนูค่ะว่านิพพานเป็นวิสุทธิเทพเรากลายเป็นกลายเป็นเราเกิดวิจิกิจฉาทีนี้พอเราไปอ่านเกี่ยวกับคล้ายๆไปหาในพระบาลีเพื่อละสิวละปาตะปาามาสนะคะว่าพระพุทธรูปไม่ใช่เจตพูดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เคยได้ยินเสียงพระพุทธพระพุทธรูปคุยด้วยค่ะน่าจะอยู่ในตอนนั้นหนูน่าจะอยู่ในอุปจารค่ะแล้วก็ท่านก็อธิบายว่าทำไมถึงต้องมีบทสวดบนเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนท่านก็บอกว่าไม่ใช่เจตพูดแต่เป็นปัจจตังวินยูฮีเตียค่ะแล้วหนูก็เลยเกิดความสงสัยว่าเหมือนแล้วเราเอาดอกไม้ไปไหว้พระพุทธรูปหรือมีทูบมีกวดน้ำอย่างนี้แล้วมันจะเป็น ศีละปฏะตะปามาดไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่นี้หนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะต้องละยังไงอ่ะค่ะอ๋อมันทําได้หนูพูดเนี่ยมันเป็นขั้นสูงแต่ตอนนี้หนูยังอยู่ขั้นต่ำอยูคือขั้นสมาธิยังไม่ได้ต้องทำขการสมาธิให้ได้ก่อนนะถึงจะค่อยไปขั้นปัญญาต่อไปนะมันก็ถึงจะเข้าใจตอนนี้คู่ จ, จะไปัาบรรไก็ไม่มีวันเข้าใจ เพราะสะภาพจิตของหนูมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะเข้าถึงถึงฐานของความเป็นจริงพูดง่ายจิตตาลียังติดอยู่กับโลกสมมุติอยู่โลสมนูต้องพยายามดึงจิตให้ออกจากโลกสมมุติให้เข้าสู่โลกของความเป็นจริงหรือต้องไปในสมาธิก่อนแล้ว ต, ต่อไปทําต่างก็จะเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นตมามเวลาต่อไป ตอนนี้อย่าไปอ่านตำราให้มันเสียเวลาเลยมันก็เหมือนคนตาบอดคำช้างอ่ะนะี่คนตาบอดมันก็ถูกอ่ะห้าคนคำช้างคนหนึ่งก็ว่าเป็นเชื่อกใช่ไหมจับหางว่าช้างเป็นเชื่อมคนไปจับงวงว่าอ้อมันเป็นงูมันไปจับงาว่ามันเป็นหอกมันไปจับทองอ่ะมันเป็นฟ้าผนาังมีคนไปจับหูมันเป็นใบพัด มันถูกขั้นหนาแต่มันไม่ได้มันไม่ครอบถ่วนบอลเล่บุนอันนี้อย่าอย่าไปกังวลขั้นถังย่อยอะไรอันนี้เอาแค่ขั้นสติสมาธิให้มันได้ก่อนมีือั้นศีลเนี่ยศีลแปดให้มันได้ก่อนได้ไม่ขั้นศีลแปดเี่ยศีลแปดตอนนี้ยังเหลืออาหารเย็นบางวันเจ้าค่ะเออก็เอาให้ศีลแปดให้ได้ก่อนะแล้วก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติได้เป็นที่ พระอาจารย์เจ้าคะมีอีกมีอีกเจ้าคะ่ะพระอาจารย์คือหนูแต่อันนี้ก็ก็เป็นขั้นสังโยชน์เหมือนกันเจ้าคะ่ะคือบางทีหนูพยายามแยกนิมิตจริงกับนิมิตปลอมซึ่งหลายครั้งหนูหนูไปสงสัยเรื่องทำ ม, มาลมว่าหนูรู้สึกว่าหนูติดอยู่ในอุปจาระคะ่ะเหมือน mm. แล้วก็สันสัญญาหนูหายมาประมาณปีกว่าแล้วอะค่ะทีนี้บางทีสังขารมัน มันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับอย่างเวลาจะขอขอมาการรมเกิดจิตปามิมานคืบจะไปขอขอมาการรมปุ๊บลืมอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คือการเห็นใจรักแล้วในอุปจาระถูกไหมเจ้าคะแต่ว่าเห็นก็เห็นแต่มันยังเห็นแบบว่ามันไม่ได้เป็นเป็นประโยชน์อะไรเห็นแล้วมันต้องต้องต้องละมันได้ด้วยต้องไม่ไปหลงตามมันแล้วแล้วทีนี้ถ้าสันคือ เหมือนสัญญากับสังขารมันมันขาดพร้อมๆกันเหมือนกับว่ามันหายอะ่ะเจ้าคะแล้วหนูเหมือนเหมือนหนูคิดอะไรไม่ออกหนูเคยเออมันก็เรียกว่าไม่เที่ยงเนี่ยบางทีมันก็ทํางานบางทีมันก็ไม่ทํางานแลก็ไปชนะมันเป็นตายรานได้ทีนี้เราใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมเจ้าคะรอให้เขากลับมาเองใช่ไหมเจ้าคะ ถ้าเราคิดได้ถ้าชีวเป็นตจำวันได้นก็กลับมาแล้วอ่ะถ้ามันไม่กลับมาเราทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดไม่จํามันก็ไม่รู้ตัวตอนนี้อยู่ที่ไหนตัวเองเชื่ออะไรถ้ารู้มัแสดงว่ามันมันมีอยู่แล้วที่มันอาจจะจำบางเรื่องไม่ได้อาจจะจําเรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้ไม่ได้แต่มันจําตัวมันเองได้มันมันรู้มันคิดได้กําลังทําอะไรกำลังจะเดินจะยืนจะนั่งนี่ถ้ามันสามการ ให้ร่างกายทำงานเคลื่อนไหวนั่นก็มันก็มีสังขารมีสัญญายอยู่แล้วเข้าใจไหมอืมจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจเจ้าค่ะพราตอนแรกถ้ามันหายไปมันต้องมันต้องไม่มีอะไรเลยมันต้องว่างโล่งมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวถ้าสัญญายสังขารหายหายเงียบไปหมดเจ้าค่ะทีนี้หนูสงสัยเรื่อง ธรรมารมเจ้าค่ะธรรมารมอันนี้อยู่ในอยู่ในกามฉันทะที่เป็นข้อสี่ไหมเจ้าคะไม่อย่าันอยู่ในมันอยู่ใ น, น อ, ยใน อ, อยนายตนะภายในรูปเสียงกิเลผสผลทพแล้วก็ธรรมารมธรรมารม<ภ>มีอยู่ในเกิดความคิดปรุงแต่งต่างๆที่ทําให้เกิอดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาในธรรมารมที่เป็นนิมิต ท, ทุกอย่างเลยที่เป็นทางจิตอารมณ์ต่าง ๆ, ๆ อ, อารมณ์รู้สึก รู้สึกดีใจเสียใจโกรเกลียนช่างนะไให้เป็นธรรมอารมณ์นั้นอ๋อดีใจเสียดีใจเสียใจหงุดหงิดนำขาดใจเศร้าใจเบิกบานถ่องใสเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์นั้นเข้าใจไหมดูประจามใจสงบก่อนตอนนี้ใจฟุ้งซ่านคิดไปจนมตายมันิ่งมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ ใช้ไม่ได้ลวปัญญาแบบนี้มันเป็นปัญญาแบบทุสารมันทำใจให้สงบก่อนแล้วค่อยคิดด้วยเหตุไม่ผมต้องค่แต่ไม่ว่านั้นแล้วแต่หนูนั้นไม่พิดแต่เป็นข้อแนะนำจะหาว่าเราแล้วแล้วขอขออีกของข้อได้ไหมเจ้ออเาค่ะพีเอาเลยเอาเลยว่ามาเลยทีนี้หนูเอ่อทํามาลุม ที่นี้หนูเคยหนูไม่เข้าใจอนัตตาเจ้าค่ะแต่ว่าหนูพยายามเดี๋ยวหนูจะไปฝึกสมาธิมาเพิ่มเจ้าค่ะเพราะ <Okay. S 1> ที่นี้หนูเคยเหมือนหนูนั่งหายใจอะเจ้าค่ะแล้วเหมือนอยู่ดีดีหนูรู้สึกว่ามันหายใจเองแต่มันเข้าไปแตะแค่แป๊บเดียวหรือบางทีร่างกายมันมันทำงานเองเหมือนเหมือนการที่เราไม่เข้าไปเพ่งตรงนั้นมันทำให้เรา เข้าไปเพ่งตรงนั้นมันทําให้เราเหมือนไม่เอาตัวเองเข้าไปทําใช้ความหมายนี้ไหมเจ้าคะแล้วเราจะเห็นอนัตตาได้ใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกคือการเห็นอนัตตาคือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาคอยสั่งบัญการเต้นของหัวใจการเราหายใจนี่มันทําไปโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติไม่มีใครมาสั่งให้มันทําให้มันหยุดได้เหมืน เหมืนนมงมะนมพัฒนั่นมีใครสั่งให้มันพัฒไม่มีใครสั่งให้มันหยุดถึงเวลามันมีเหตุให้มันพัฒน์มันก็พัฒน์มอถึงเวลามันจะหยุดมันไม่หยุดช่วงนี้มีข่าวเรื่องภูเขาไฟภูเขาไฟเวลามันถึงเวลามันจะปะทุมันก็ปะทุขึ้นมาไม่มีใครไปสั่งให้มันปะทุไม่มีใครอ้ามให้ไม่ให้มันปะทุได้ทั้งอย่างมันเป็นธรรมชาติอันนั้นตามไม่มีตัวตนแต่ว่าธรรมชาติเข้าใจไหม แต่เราใจของเราหลงมาคิดว่าร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้สั่งได้แต่เราบังคับได้ควบคุมได้บางส่วนบางเวลาก็นั้นเองเป็นส่วนการเคลื่อนไหวนี่เราสั่งมันได้ให้ลุกให้ยืนให้เดินให้วิ่งให้สั่งมันได้แต่ไม่สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เห็นความจริงร่างกายไม่มีตัวเราไม่มีกายมาสั่งมันได้ ไอ้ที่มาสั่งนี่คือใจผู้รู้ผู้คิดท่านหนึ่งแล้วมใจมันหนงคิดว่าเป็นตัวเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวตัวเราทีนี้หนูเจ้าค่ะทีนี้หนูสงสัยเจ้าค่ะว่ามันมีอยู่เวลาแต่มันเข้าไปเองบางทีหนูเห็นแขนกับขากับหน้าว่าเหมือนเป็นของคนอื่นแต่เห็นแค่ไม่กี่ครั้งเจ้าค่ะแต่ว่า <S <S หนูหนูเห็นมันเหมือนมันแขนแปะไอ้อันอย่างนี้เป็นอนัตตาไหมเจ้าคะที่เป็นอัตตานุทิถิอะไรพวกนี้ยแต่ว่าหนูเห็นแค่ต้องเห็นต้องเห็นว่าไม่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วกันอ๋อทีนี้เวลาที่เาเกิดขึ้นกับแขนก็ไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเรายังเสียใจเวลาเกิดอะไรกับแขนเราก็แสดงว่ายังเป็นตัวเราอยู่ อดูตรงนั้นดีกว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนนาตายเองฟันหลุดมันก็ไม่เสียใจผมผมหอบแล้วก็ไม่เสียใจฟิวฟ้าขึ้นก็ไม่เดือดร้อนมันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเราเดือดร้อนเราทนายว่าเราอย่างหลงไปเรื่าเป็นเป็นตัวเราเอป็นของเราอีกเจ้าค่ะทีนี้ตอนที่หนูเห็นตอนนั้นหนูเห็นแค่ข้างนอกเจ้าค่ะแต่ว่าตรงแกนที่ หนูรู้สึกว่ามันเป็นแค่เนื้อที่แขนที่มันที่มันไม่ใช่ของเราแต่ว่าตรงตรงกลางมันยังเป็นของหนูอยู่มันยังมีหนูอยู่เนี่ยเจ้าค่ ะ, ะก็ยังใช้ไม่ได้ต้องต้องอู่มไม่ใช่ของหนูทั้งหมดเลยโอ้เจ้าขาพายหดหมดแล้วเจ้าขาโอเ ค, อ, เ ค, อ, เคอ่าแนะ น, นำแนะนําการปฏิบัติให้หน่อยได้ไหมเจ้าค่ะ ก็จะบอกให้กลับมาเริ่มต้นที่สิ้นแต่ให้ได้แล้วก็ฝึกสตินั่งสมาธิก่อนปั่นดงปัญญาอล้นี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดมันเลยปวดหัวอเปล่าที่แล้มเหมือนวนอยู่ในอ่างไม่จากหางโมูมันโูมันก็ยามกัดหามันเองนะนะต้องค่ะโอเคหยุดคิดซะหยุดคิดอันนี้หยุดคิดทาใจให้ใบอกกันต้อค่ะน้องก่า ขอพรคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุนะคุณอิเภษเชิญ้องใช่ไหมดาวถึงบอันนี้สกนครครับอาจารย์ราวนักประการอาจารย์ครับเอนนี้ดินแดงกัววารเล่าวาอาจารย์ต่างๆนี่สกลนครนั่นหลงผู่ฟ้านกสกลนครครับอาจารย์หลงปู่ฟ้านหลงปู่จวน ครปู ว, วันขงปูซิงทองว่อเยอาแยะไปหมดเลยดยาราเยอะมีคําถามนิด น, นึงครับอาจารย์วันนี้ครับผมก็คืออยากจะถามอาจารย์ว่าทําไมคนที่เขาฝึกจิตใจตัวเองจนตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาที่เออ่สิ่งต่างๆเข้ามากระทบเนี่ยเขาใช้ปัญญาเดินไปทามันมั น, ม, นมันปล่อยวางลงได้แต่พวกเราอย่างพวกผมเนี่ย จิตใจไม่ได้ตั้งมั่นเนี่ยเวลาคิดได้แต่ทําไมวางไม่ได้มันอย่างอย่างคนที่เขาไดตั้งมั่นครับอาจารยจคนที่ตั้งมัน่นมันวางเฉยได้เ่มันมีอเบียดขาครับไอตัวเบีขานะั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างสมมติว่าเวลาสงบแล้วว่าเวลาสงบเนิ่งจิตต้องสงบเนิ่งอุเบกขาถึงจะเกิดแล้วฝึกบ่อยๆไม่ใช่ทําวันเดียวฝึกบ่อยๆฝึกเยอะใช้พอกระทั่มันมันมันติดอยู่ในใจ ออกจากสมาธิมาอุเบกขาก็ยังมีอยู่ใใยาาไมไ่ใครจดาไม่เฉยได้ใครจะชมไม่เฉยได้พวกนี้พอเขาอุเบกขาลงนี้เขามีอารมณ์เกิดความสุขเพื่อนจิตนั้นเป็นอารมณ์ของสมาธิย้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์เขียจิตสงบมันยังมีความสุขแล้วก็มีมีอุเบกขาแล้วเวลาออกมาใหม่ๆมัมยังสงบมีอุเบกขาอยู่แต่มันจะจางเหมือนน้ำเย็นที่เราแช่มันในตัวเยนะ็นครับ พอเวลาเมาเอาน้ำเย็นที่เราแช่ามาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่พอติ้ไปทั้งคักมือเดียวก็เริ่มนอนก็นอน ก, กับเข้าไปถ้าอยากให้มันเย็นไปนักปฏิบัติสมาธินี้ต้องเข้าเข้าอยู่เรื่อยๆเข้าเหมือนโบราณถ้ายิ่งนานเท่าไหร่ออกมามันก็จะมันก็จะเย็นได้นานถ้าสั้นมันก็ออกมาก็สั้นมันก็เย็นได้สั้นครับ นะครัพอมันใช้ปัญญามันก็จะวางเฉยได้พิจารณาอะไรก็ปล่อยวางได้อืมคแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาพิจารณาแล้วก็ปล่อยไม่ได้ใช่ครับมันปล่อยไม่ได้คิดได้มันเขาอยู่ทุกอย่างเลยจะปล่อย ไ, ได้แต่แล้วว่าไม่มีอุเบกขต้องฝึกสมาธิน้อยไปครับต้องฝึกเยอะทั้งวันทั้งคืนเลยให้มันสงบทั้งวันทั้งคืน ทั้งข้าไหนทหนั้ทงเม้าเ อ, อกมาก็สงบเ อ, อาออไม่สงบก็กลับข้มามงในอยากไปให้มันไม่สงบกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับสรครับอไปที่เท็กซสัสกับคุณประเวศใช่คุณประเวศอาจารย์ครัอาจารย์ก็มารายงานครับวันนี้ก็อาทิตย์นี้ก็ได้เห็นที่พระอาจารย์ลงมาเกือบทุกวันวันละสองสาครั้ง ก็ขอบคุณพระเจ้าครับอ่าไปคุยกับแอนบินและแอนบินเขาก็เลยเอาลงวตามตามคำขอโอ้ทําท่านเกือบกทุกวันเลยครับอ่านได้ทุกวันเลยก็มีวันนี้ก็มีมีญาติที่านถามมาสองครั้งแล้วเพราะว่าการที่เราปฏิบัติทำแล้วเมื่อสังขารเราหมดสิ้นแล้วแต่ว่าจิตเรายังเดินทางอยู่สิ่งที่เราปฏิบัติแล้วมันก็อยู่กับเรา ใช่ทั้งดีทั้งชื่ออยู่กับเราถ้าทำบาปมัมันก็เึงไปกับเราอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งทําให้มีพลังงานช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นคือว่าสิ่งที่เราทำมันก็จะอยู่กับเราไม่ว่าเราเกิดได้เกิดมาอีกชาติหนึ่งก็ปฏิบัติให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองอันนี้อันนี้ดีครับอันเป็นช่วยกําลังใจให้ดีมากเลยเพราะฉิตมันไม่ได้ตายในกาบร่างกาจิตมันเหมือนเดิมทุกอย่าง ก็เหมือนความดีที่เราทําแม้จะไม่เห็นแต่มันก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมครับมันก็อยู่ในจิตมันกลายเป็นนิสัยไปนะแล้วก็กลายเป็นความสุขใจความดีมันจะทําให้เรามีความสุขใจแล้วก็จะทําให้เรามีนิสัยชอบทําความดีเพิ่มต่อไปทําทําความดีไปครับอันนี้อันนี้ครับข้อนี้ที่มีคนถามหลายคนก็พระอาจารย์ก็ลงไว้ให้ทิตศนี้แล้วก็ดีใจกับว่าเป็นทางนั่นไม่ใชการปฏิบัติธรรมที่ไม่สูญ ครับผมอันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้นักปฏิบัติทั้งหลายจะได้เพิ่มความเพียรให้มากขึ้นครับบาปกรรมก็จ์บาปกรรมก็ไม่สูนเหมือนกันทำบาปไปก็ติดตัวไปบาปกรรมตัวตาอยู่แล้วแต่ว่ายังดีมีของดีแก้ไขบ้างนะออนเย่าไปทําบาปเดี๋ยวมันตามเราไปครับผมโอเคครับก่าวพระนักการพระอาจารย์ครับขอพระอาจารย์สวัสดิ์ อ่าคุณจอยแตบพัทยาจอยขายของกบางวนี้ขายค่ะขายดีไหมก็ดีค่ะก็ดีค่ะวันนี้ขายหมดเลยอ่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันพาไปพาเด็กๆไปใส่บาตรค่ะโอเคค่ะเอาเด็กใหญไปด้วยเอาเอาเด็กใหญ่ไปด้วยป่ะตื่นไม่ไหวไปทํางานบอกว่าเขาต้องทํางานตื่นไม่เรียกเรียกแล้วไม่ตื่นก็ไม่อยากไม่อยาก ไม่อยากมงีตัวเองก็เลยไม่มีนิสัยในสัตวนี้เขาไม่มีนิสัยทบุญแล้วก็มีนิสัยทาบุญก็ตื่นเองแตเด็กๆก็ตื่นเพอาเต้องไปโรงเรียนไปกันเด็กเรสอนเข้าไปก่อนเขจะมีนิสัยต่อไปแล้วเขาโตขึ้นาจะทาได้ค่ะค่ะเอออะไรคะโอเคนะอคุณค่ะขอบคุณจุบจุบอยู่ที่ไหนคุณจุบญี่ปุ่นใช่ไหม ก่นนิรนามสการ์ค่เจ้าู่ที่โกเบญี่ปุ่นค่ะโกเบอ่ามีอะไรบ้างันนี้ก็ไม่มีอะไรหนูก็ปฏิบัติมาตลอดค่ะแต่ระยะหลังนี้หนูรู้สึกว่าจะมาที่ของหนูไม่มีคุณภาพเลยค่ะอ่าสติไงไม่อยากเสติให้มากๆมาถึงพออยู่เรื่อยๆมันพุทธพใช่ไหมคะมแล้วร่างกายเราอยากจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะร่างกายเราถ้าสมมติเราไม่สมบูรณ์นะคะแบบเหมือนกับว่าเราเรา นอนไม่พออะไรอย่างนี้ค่ะจะมีผลต่อการเรียกสติไหมคะเพราะก็มีมีเพระาะว่าเวลาง่วงนอนนีมันก็จะทำให้ไม่มีไม่มีอารมณ์ที่จะเรียสติอค่ะมันอยากจะนอนอย่างเดียวนะคะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือพอพอหนูสมาธิมันไม่มีคุณภาพแล้วอะ่ะหนูจะมีความรู้สึกแบเหมือนมันเครียดขึ้นมาเองทงัทง้ทงทั้งทั้งทที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอะคะ่ะพระ อ, อาจารย์นั่นแหะมันกิเลสทนั้น มันอยากคมันอยากจะให้มันดีมันไม่ดีมันก็เลยเครียดขึ้นมาอืมแล้วหนูควรจะทำยังไงคะก็คือฝอยฝึกสติให้เยอะๆเวลาเกิดความเครียดก็รู้ทันแล้วบอกว่ามันขาดสติต้องกลับไปฝึกสติให้มากขึ้นยอมรับัสภาพไปก่อนอย่าไปอยากให้มันเป็นตามความอยากของเราค่ะแล้วมันก็จะหายเครียดค่ะหนูจะพยายามค่ะ ต้องฝึกสติให้มากมากก่อนมานั่งนะไม่ใช่มานั่งแล้วเามาฝึกสติเพอๆาเพลกนันไม่พอสฝึกฝึกสติก่อนใช่ไหมค ะ, ะฝึกสติเมื่อนานเตะขึ้นมาก็พูดโธได้เลยพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดนะเมื่อนานมานั่งมันจ ะ, ม, นจะมันจะสงบมากสงบได้มากค่ะอ่ะมีอีกเรื่องที่ถามค่ะคือหนูไปอ่านหนังสือมานะคะแล้วอ่านเจอคําว่าสติควบคุมจิตฝึกสติให้ควบคุมจิต หรือฝึกสติให้รู้เท่าทันจิตความหมายคืออะไรคะอาจารย์เความหมายก็คือว่าสตินี้สามารถหยุดหยุดจิตได้เวลาจิตเหมือนกําล้อยน์ะสติเปนเหมือนเบรกอะก็คุมเวลาจิตคิดเราเรารู้เท่าราคิดจะไปทําบาปนี่ถ้ามีสติมันก็หยุดมันได้ถ้าไม่มีสติมันก็ตามไปเลยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีแบบมีสภาวะธรรมที่ปฏิบัติมาสูงแล้วใช่ไหมคะ ก็มีสติมากสติน้อยก็อยู่ถ้ามีสติมากก็ถือว่าอยู่ในสภาวะสูงถ้ามีสติน้อยก็ยังอยู่สภาวะต่ำอยู่ถ้าเราควบคุมความคิดได้ควบคุมการกระทาได้มากก็ถือว่าก็มีสติมากถ้าควบคุมได้ได้น้อยยังเผลอไปทําบาปอยู่ยังไปยังไปโกหกอย่าเงี้ยไปหยิบของชาวบ้านเข้ามาทําให้ไม่ได้แต่อนิย่าดเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่ากิเลสมันไวกลางสติตามไม่ทัน ถ้าสติวัยมันจะทำเราจะไปหยิบปั้มรู้เลยเอ้ยไม่ใช่ของเราต้องไปถามเจ้าของเขาก่อนอะไรขอเรานี้ค่ะเราทราบจ้ะค่ะวันนี้ก็มีคําถามเท่านี้ค่ะไปยามฝึกสติไปฝึพุทโธพุทโธแล้วมันจะรู้ทันเวลาคิดอะไรไม่ดีมันจะรู้ทันมันค่ะที่หนูกังวลคือหนูกลัวเครียดเนี่ยนะคะจนตอนหลังหนูคิดว่าเอ้ยหนูจะต้องซื้อยากคลายเครียดมามากินไหมไม่ต้องกินอ่ะมันเครียดเพราะความอยากเพราะที่เหลืของเราค่ะ ก็ยอมนะเพราตอนนี้เราทําได้เท่านี้ก็แล้วกัน่ขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะสาธุคุณเฉลิมธานคุณจิ๊บคุณจิ๊บไปแล้วคุณเฉลิมธานมาต่อกับน้ังรการพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องขอบคุณคุ <yerde. S 2> คณประวิตยเลยทําให้โยมได้อานิสส <C Called S 1> ์ในการฟังทำแบบคลิปสั้นๆด้วยค่ะก็ง่ายดีนะครับดีค่ะ ดีมันเหมือนกับเป็นการเตือนใจตัวเองแบบเวลาสั้นๆแต่ปกตยิยมก็ฟังธรรมะตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะบางทยาวมันก็ค่อน ข, ข้างที่จะมีของอย่างหนึ่งผสมมาด้วยมันไมามีเนื้ออย่างเดียวทิ่สั้นๆเนี้ยเียกวาแต่เนื้อเนื้วว่ะใช่ค่ะอาจารย์แล้วยมก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยมคิดว่ายมปฏิบัติได้ได้ดีอะค่ะมันมันนิ่งเฉยมันไม่ มันไม่อะไรอะไรอะค่ะมันมันไม่เอาอารมณ์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สติก็ดีขึ้นอย่างอยู่ในสมาธิเกิดความคิดก็ใช้พุโทโธดับแต่เวลาที่เกิดเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันก็ใช้ปัญญาดับ mm. แทนอย่างเงี้ยค่ะ mm. Mm. มันก็ข mm. mm. อให้จานยมรู้สึกว่าทิศที่ผ่านมายมปฏิบัติได้ดีแต่ยมเคยไปได้ยินพูดที่ว่าการปฏิบัติสมาธิที่ผิดจะทําให้เหมือนตัวเรา มึนๆงงๆอื่นๆไม่ค่อยอันนั้นนี่เกิดจากการที่สติไม่มีสติถูกไหมคะพระอาจารย์ใช่ถูกต้องยังไม่ได้ผลจากการปฏิยังจากการปฏิบัติมันก็ยังมึนๆงงๆอย่ยังไม่สมบมงบงๆไม่เป็ไรถ้าอย<ะ>่างนั้นถ้าเรามึนๆงงๆแล้วเราก็กลับมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปได้เลยค่ะค่ะโยมจะพยายามเพราะโยมกลัวว่า จะไปหลงในสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิอะค่ะพระอาจารย์อ๋ออันนี้ไม่ใช่มิจฉาสมาธิวิชฉาสมาธิหมายถึงมีอุปจารสมาธิเออไปมีตาทิพยูทิพแล้วก็ไปสอดไปไปสอดส่องเรื่องชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเลยเสียเวลาเพราะฉะนั้นการี่จะมาปฏิบัติดูทีเด็ดของล้วกลับไปอา่านใจของคนอื่นตอนนี้เขากำมาคิดถึงใครว่าใครอยู่อะไรเรานี้มิถลพวกคนที่เขามีมีอคติยาาก็จะเป็นอย่างนี้น อใช่งั้ น, นเราก็มประโยชน์มันไม่ได้ค่ากิเลสค่าค่ะเราเอาทางตรงดีกว่าค่ะพระอาจารย์ม่ให้มันเน่งให้สงบเราต้องการ ค, คะวามเน่งความสงบเราต้องการอุเบกขาแล้วก็กไมกต้องไปสนใจค่ะถ้าก็ก็ประมาณนั้นละคะ่ก ะ, นน ะ, คะก็ตั้งใจปฏิบัติให้ไปทางตรงดีกว่าในในเกิดมาชาตินี้ได้พบพระอาจารย์เราก็อย่าให้มันเสียชาติเกิดอย่าันนะคะอย่าล้มทางอย่าล้มทาง แล้วก็เหมือนกลมอ่านเจอที่ว่าเราอย่าให้อาหารกับกิเลสถ้าเราต้องการไปทางตรงเราก็ต้องตัดอาหารกับกิเลสถ้าเราให้อาหารกิเลสมันก็ไม่มีวันจบสิน้น<ช>คนนี้ก็ยมก็ามยอสารเสื่อสูงเนี่ยเป็นอาหารของกิเลสนำมยโลกตาพานาค่ะช่วงนี้ก็เลยตั้งใจปฏิบัติก็นอนน้อยลงค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นบางทีพอมันจะหลุดออกมาเราก็ มันจะมีบ้างเป็นบางครั้งที่ลืมตาขึ้นมาแต่ก็เอาใหม่กลับเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่แต่ของโยมมันจะมีอาการที่อย่างก่อนหน้า น, นี้มันจะมีอาการเหมือนมีน้ําตาไหลบ้างมีน้ําลายบ้า ง, ลาางหลังๆมันจะเริ่มเป็นไออะค่ะพระอาจารย์พอไอเสร็จมันถึงจะเข้าไปได้อะค่ะแล้วมันก็จะเกิดน้นไหลถ้ามันเป็นภาวะของร่าง ก, กายที่เราห้ามไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นน้ำตาเป็นใจก็ปล่อยมันไป ใช้ปัญญาใช้ปัญญาอนัตตาค่ะพู้อาจารย์ก็ได้กำลังใจผ่าหันแต่ถ้าไม่ไปสนใจก็ได้ก็อย่าไปสนใจมันมันขึ้นจากใจเราไม่ต้องไปไอเราไม่ต้องไปไอให้มันปล่อยให้มันอายเองเชื่อไหมบางทีเราเราไปไอแทนมันก่อนเรารู้สึกอยากคราเรารู้สึกว่ามันจะไอเราเลยไอให้มันไปย่เีแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเครื่องเราไม่ต้องไปอายให้มันปล่อยมันเดี๋ยวถ้ามันทนไม่ไหวเดี๋ยวมันไอของมันเอง แล้วก็พูดถวพูดถวเราไปหลังจากนั้นพอหลังจากอาการเหล่านี้หมดทุกอย่างก็สงบด้วยดีก็ไปนั้งไปไดรี่เรื่อยถ้าหลุดออกมาคร่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมายมจะนิ่งนิ่งนิ่งไม่ไม่มีสิ่งใดมากระทบอย่างนั้นนะคะจนยอมก็ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวที่หน้าพอไม่เป็นอย่างอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเคลียร์ขึ้นมาอี อ่ะก็พยายามพิจารณาในในในระยะเวลาปัจจุบันก็พยายามพิจารณาอาการสามสองพิจารณาตแต่พิจารณาครับเท่าที่มีโอกาสถ้ามันไม่สงมแล้วทิตยนี้ก็แค่คิ่ว่าเหมือนสติปัญญาเรามันมันไม่ทถมไม่พอครับคยมก็จะลุกสติปัญญาให้มากขึ้นค่ะค่ะกลับขอบพระคุณามากค่ะเยมมีเท่านี้ละดูโจ๊กนนี้ดีไหมอาการ ดีขึ้นมากเลยค่ะอาจารย์เทางโรงเรียนของที่นี่เขาจะมีทางเคาต์เอียค่ะเขาจะทําเป็นโปรแกรมเพื่อช่วยนักเรียนโดยเฉพาะในแต่ละโรงเรียนเลยะค่ะเขาก็จะเรียกให้ลูปยมเข้าไปคุยทุกอาทิตย์อธิบายให้ฟังว่าอาทิตย์นี้มีอาการอะไรยังไงบ้างต้องการความช่วยเหลือไหมีอะไรแก้ไขแล้วเขาก็จะสร้างเป็นปกโยมคิดว่าเขาเขาช่วยจริงจค่ะให้เาใหมีคนที่ปรึกษาได้ ค่ะพระอาจารย์แล้วยอมก็เ hmm. ชื่อว่าอย่างการปฏิบัติของโยมเนี่ยเราทําให้เขาเห็นโดยที่เราไม่ได้พูดอย่างเดียวถ้าเราทําให้เขาเห็นแล้วก <oo Prof> <als> ็ก็ในวันที่เขาพร้อมเขาก็เขาก็จะทําตามอย่างที่เขาเห็นนะคะพระอาจารย์ความสำคก็คือเราอย่าไปสร้างความเครียดให้กับเขาแล้วกันอย่าไปกดดันมากเกินไปก็ชวนไปทําบุญบ้างตามมันเป็นามของเรามันอาจจะ นัดเกินมากเกินไปแล้วทานนี่จะเป็นความรักทานเป็นความกดดันให้เขาเขาไมได้นะต้องสังเกตด้วยไว้ค่ะโยมก็ต้องปล่อยเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์สอน<ม>ว่าเขาก็มีกรรมของเขาเราก็มีกรรมเป<ม>็นของเราเราได้ทํำนัด ท, ที่สุด<ม>แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอย่างนี้เราชวนก็ได้ละอย่ากไปบ้างคับกเขาถ้าเขาไม่ไปก็ร<ม>ับไป up to you ข่ายยมก็บอกว่าอัปตอนเช้าไปทําบุญกับแม่เดี๋ยวตอนบ่ายไปช็อปปิ้งเนี่ยเขาก็ไปว่าจะต้องมีข้อหน้าเกินองะอายาตัวบาปสมัยนี้ก็ต้องอาศัยของของรอใจก่อนแต่อย่างนั้นเขาจะได้สัมผัสจับการทําบุญนละจจะเห็นว่าดีต่อไปเขาอาจจะทำเองได้อย่างทุวันที่เราก็แจกนมแจกขนมให้เด็กแม่แล้วนั่นเด็กมันเติมันมมามาใส่มาทุกวันเลย มาเราถ้าที่คอมเมนต์บอกว่าเด็กหลักพระอาจารย์เพาพระอาจารย์แจกขนมอ่าก็วันนั้นลูกโยมตอนที่ไปใส่ผ้าพระอาจารย์เขาก็ยังบอกอุ้ยได้ได้นมจากพระอาจารย์ด้วยดีใจเหมือนกันค่ะอ่เขาโลดใจท่านนั่เด็นเด็นะแต่ผู้ใหญ่ไม่ให้นะผู้ใหญ่โอแล้วตัดสินใจค่ะก็ ให้เขาหันมาทางทําความดีอะค่ะพระอาจารย์แต่โยม่าของพระอาจารย์ทั้งเรื่องความเมตตาเรื่องแบบผอมวิหารเรื่องความช่วยเหลือผู้อื่นโยม่าถ่ายทอดที่เขาแล้วโยมก็มีเป็นจิตใจที่ต่อเพียงแต่ว่าเขายังไม่เข้ามาทางกันหรือ ก, การปฏิบัติแต่โยมคิดว่าเขาเสีลาแบ่งปันให้ลูกหลาเสียลาแบ่งปันค่ะก็ค่อยๆสอนค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคนะขอบคุณสาธุ สัสดีคุณัคุณัปจากสุราษฎรานีขอบพระอาจารย์ครับวันนี้มาถามคำถามครับเมืเออม่อคืนนั่งสมาธิครับแล้วก็ขณะที่ขับรถก็เห็น<ม>เห็นกายกับจิตยแย่ออกไปเป็นระยะระยะคือเหมือนเราดูอยู่แล้วแบบเหมือนเห็นชิ้นส่วนรถอะไรเงนี้ยครับออว่าสิ่งสิ่งต่างๆวัตถุหรือว่าผู้คน มันมันจะกลายเป็นโครงกระดูกครับมันแยกกันมันแยกกันด้วยสตยครับม่นะครับเดี๋ยวอย่าไปเห็นเลยเห็นเห็นถน น, นดีกว่านะเราอย่าไปเห็นอย่างอื่นเดีย๋ยวเวลเกิดมีอุบัติเหตุแล้วแก้ไม่ทันนะครับแล้วก็คาที่สองครับคือครั้งก่อนพี่ยันบอกว่าพูดตเตือนว่าถ้าทุกอย่างที่ผมทำอะ่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจคิดหรือว่า มันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เหมือนเราทํางานตรงเนี้ยครับแล้วก็เหมือนทำหน้าที่ของร้อดีเงี้ยมันเราทําให้เพื่อคนอื่นมีความสุขมากกว่าที่เราจะมีความสุขเองคือทางโลกเนี่ยเวลาแบบไปทําอะไรมันมีความทุกข์มากเลยมันเห็นกิเลสมากเลยครับแต่เราก็คือใครจะทําให้ดีกับเราผมก็ตั้งไว้ว่าเออผมก็จะทําพยายามสิ่งที่ดีอะไรเงี้ย เมื่อเมื่อเราได้เอาธรรมะที่พระอาจารย์มาใช้ในชีวิตประจําวันเราก็รู้สึกว่าเราชอบตัวเองว่าว่าเราเป็นอย่างเนี้ยแต่บางครั้งมันก็มีเหนื่อยบ้างครับเรื่องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธเจ้าในสี่สิบห้าปีทําประโยชน์ให้กับคนอื่นตลอดไม่ได้ทาประโยชน์ให้ตัวเองเลยเนะมตตาอรุณ น, นะใช่ก็ค่อนข้า <ๆ S 2> จะมีความสุขจากการให้มากกว่าการได้ คนไทยมีความสุก ข, ของคนได้รับเนะมั น, ม, นมันตอนนี้จะเลยอยู่ในพมมิหารนะครับผมมีเวขาเป็ น, เ ป, นเป็นหลักครับแต่ก็อย่าลืมเมตตาเวขามากกันไปเาะการเป็นคนจะจื่อใจดำได้นะครับมมจักใช้นะผมมมิหารเสษไม่ต้องรู้จักใช้บางทีเราเราแบบเมตตาจนเพื่อนเขาแบบว่าอ่อไม่เห็นเราอยู่ในสายตาหรือในอะไรเนี้ยครับ ก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปหวังอะจากเขาเราให้เขาเพื่อเพื่อใจของเราจะได้มีความสุขนะครับก็ก็ก็เลยทําตามที่อาจารย์บอกว่าเออถ้าเพื่อนที่แบบว่าไม่ดีเท่าเราหรือว่ามากกว่าเราก็คือเราเราเร า, เราไม่ครบเราครบคนคนคือเราตัดออกไปเยอะครับดีแตเวลาให้อะไรใครนี่เราไม่รับไม่ตเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากเขาเนะครับ ให้เพราะความเมตตาให้เพราะอยากให้ก็มีความสุขใช่ใช่ครับมันมันอยากให้คนมีความสุขแล้วก็เราเน่ก็เป็คุณค่าแล้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจครับก็มาเติมพลังครับก็ ค, คือของเราทำหน้าที่ต่อไปใช่ไหมครับทาไปเรื่อยๆผมไม่หงนศีกับขอบพระคุณครับคุณมาลีเชนวุฒิากาลมาลีมาลี กาับหลวงพ่อค่ะวันนี้อยู่วุกาศค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะยังปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาว่างเมื่อไรก็นั่งใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าจะมีนิดนิดนึงอย่างตั้งใจยอย่างเนี้ยต้นเดือนเสาร์อาทิตย์เนี้ยจะไปก็ไม่ได้ไปก็ไม่แล้วเมืเ่ไรมัน ก็ถือว่าอนาคตนี้มันไม่แน่นอนตั้งไว้แล้วทําเป็นไปได้ก็ดีเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดแผนได้ค่ะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเดือดร้อนับมันที่พักที่พักไม่ได้แล้วก็คือติดเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันค่อนข้างที่จะไกลและทีนี้คนที่จะไปด้วยอ่ะเขาพอดีญาติเขาเหมือนจะจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้จัดไม่มีอะไรแน่นอน ค่ะเวลาเวลาอ่ะตรงนี้ไม่ได้ก็จะไปอีกที่หนึง่งคือช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่ามีแต่คนวิ่งเข้าหาทำมาวิ่งหาที่ปฏิบัติกันเยอะแยะเลยค่ะหลวงพ่ออืกาไม่มีที่ก็าที่บ้านเราเนะี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติไปค่ะหลวงพ่อแต่ว่าแต่ว่าอีกที่หนึ่งตอนสิน้นสิ้นเดือนพันวาเ น, นี้ยจองเรียบร้อยแล้วอะได้ได้ค่ะหลวงพ่อที่ที่ว่าน่ากลัวค่ะ ลูกก็จะไปจริงๆคือพอเวลามีเวลาว่างเงี้ยใจมันอยากมันมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปอย่างอื่นมันเสียเวลาเงี้ยค่ะกพอก็เลยอยากอยากจะไปทำข้อสอบฮะข้อสอบทําี่ะอยากไปแต่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันมันเสียเวลาคือเวลามันเหลือน้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอมันพอมันไม่ได้วิ่งหาตรงนู้นวิ่งหาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างที่หนูเรียนหลวงพ่อวันพุธที่แล้วอ่ะค่ะ อย่างที่ที่บ้านแม่หนูแล้วก็พวกญาติไปอะ่ะก็บอกว่าคนเยอะมากคะ่ะที่ที่ไปปฏิบัตินะคะคือมีแต่คนหันมาแบบนี้กันเยอะแยะเลยคะ่ะหลวงพ่อก็เลยคอนั้นจะเห็นเห็นคนุข้่าของวัฒนธรรศาสนามากขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้ว ถ้าช่วงนี้หนูปฏิบัติเนี่ยอย่างอย่างมีเวลาว่างอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราไม่ได้ทํามันก็จะต้องไปรีบไปชดเชยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันให้มันเยอะเยะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันเวลาจิตมันที่มันรวมมาค่ะหลวงพ่อมันไม่เลือกมันไม่เลือกเวลามันไม่เลือกสถานที่ด้วยค่ะอาการาาริโกรับมาเป็นใช่าาใช่ค่ะอย่างมีเวลาหนูกับว่าจะซักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นแบบ มาอีกทีนึงเที่ยงวันแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เอ๊ะทาไมว่าวันแป๊บเดียวแต่มันกลายเป็นแบบนานอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเวลามันก็เข้าในะมันมันก็ไม่มีเวล่องเวลาค่ะหลวงพ่อแล้วพอเรายิ่งปฏิบัติเยอะๆอะค่ะหลวงพ่อเวทนาบางครั้งก็แทบจะไม่มีคือมันมีตอนแรกแล้วเราเหมือนเราอยู่กับเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบอยู่อยู่ได้แบบไม่ได้ อะไรกับเขาอะค่ะหลวงพ่อหนูก็ยังพยายามพยายามอยู่ค่ะหลวงพ่อพยายามจะทําทําไม่ให้ขาดค่ะหลวงพ่อโอเคค่ะวันนี้นะค่ะ ค, ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะคุณเจนินคุณเจนินอย่าให้อะกรรมสานครับหลวงพ่ออยู่ประชุมทาง น, นี้ครับอมีอะไรไหม ไม่มีครับมากาบหลวงพ่อเฉกครับแล้วก็ <Okay. S 2> ยังปฏิบัติอยู่ครับผมถือคุณอนัญญาีอยาา่างคราชยังอยู่ที่ทำงานอยู่นะเนี่ยแล้วค่ะกรับแมรการค่ะพระอาจารย์ก็อยากจ ะ, ะรู้สึกราบซึ้งในธรรมสอนของพระอาจารย์ค่ะก็คือ ตอนนี้ก้าวข้ามเวทนาทางกายได้แล้วเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้เหมือนเข็นคบขึ้นภูเขาถ้าเราหยุดน่ะมันก็จะจะไม่สามารถไปถึงได้ค่ะก็ตั้งสติแล้วก็ อ, อธิษฐานกับตัวเองว่าจะต้องทำให้มันได้ค่ะก็ขำขำได้ค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามเพียน ต่อไปยิ่งขึ้ น, จนเจ้าค่ะก็เหมือนพระเจ้ามันตายคนต้องพอเราจะนั่งไปเลียนบามันจะสําเร็จนะเจ้าค่ะพ็เพราะค<ม>ําสอนของพระอาจารย์ที่แบบสะกษษษ<ม>ิดใจค่ะก็ขอบพระคุณนะเจ้าค่ะโอเคทําไปต่อนะทําให้มันถึงสุดยอด <หา S 1> นะคมันมีหลายยอดนะมันมีสียนะ่ยอดสี่ห้ายอดอะไรกันยอดที่หนึ่งยอดที่สองมันเจ้าค่ะเจ้าค่ะ แต่พอมันถึงยอดหนึ่งแล้วมนมันถึงยอดหนึ่งแล้มันก็ไม่ตอกลงแล้วยอดนะแต่มันยังมียอดที่สูงมานั้นต้องต้องไายขึ้นไปอีกเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าเห็นยอดหนังนะคะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะสาธุค่ะคุณหมอสุรัตนีแากประทุมธานีคุณหมอสบายดีเหรอรำมัสการท่านพระาจารย์เจ้าค่ะสบายดีเจ้าค่ะ ไม่มีคาถามเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคเดินไปได้ไ<ะ>่าไปได้ดดเปมอหน้าทัุตามอานยังงาพชันครับสบายดีครับเข้ามาครับงานเยอะหมเจ๊ Thank you. Thank you. Yeah, ครับช่วงนี้ก็ที yeah, ่เราหยุดไปช่วงเป็นโควิดนะครับนี้ก็ต้องกลับมาดูเวกับมาอัานนี้หน้าบานมีันไข้เยอะขึ้น น, นะนไมีเยอะขึ้นครับ ใช่ครับมีติด ม, ม, ม, มากขึ้นแต่ว่าคนไข้ในก็ยังไม่ไม่ถึงกับเยอะมากเลยค<ม>ุณ<ม>ชก่อนนะครับน่าจะติด<ม>แล้วก็อยู่กันก<ม>ัก<ม>ตัวที่บ้านอะไรกันได้ครับอ่าให้ยาไปเวลาเข้ามามามาครับแต่หลังส่วนใหญ่เป็นบางทีก็เป็นผู้ป่วยผู้ปว <P US H> ่วยนอกนะครับใช่ครับก็ซื อ, อยังอย่า ง, ยงตอนที่ผ ม, มยาก็รับยาแล้วก็กักตัวอยู่ที่คอนโดแล้วก็ที่พักถ้าเรามีที่พักนะครับส่วนใหญ่ก็สามสี่วันห้าวันเดี๋ยวนี้ห้าวันก็ให้กลับมาทํางาน อาการไม่รุนแรงนะไม่รุนใหญ่ก็ไม่เข้ารุนถ้ามีวัคซีนจะไม่มันแลขรงครับครับครับมีอะไรไหมผมไม่ได้มีอะไรครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีสักอยู่เดี๋ยวยูเวนสักสองสัปดาห์เดี๋ยวอาจจะได้เข้าไปปฏิบัติครับเดี๋ยวขอให้ยูเวมาที่เข้าได้เลยนะขอบคุณครับสวัสดีคุณนิสาคุณนิสานิสาอยู่ที่ไหน ปฎิมาลัก่อนจางยังไม่ได้เปิดไมกลับกปุ่มช้ายมือล่างโอเคค่ะได้ได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินแล้วได้ยินอ่าโอเคค่ะ่ากับน้ำน้ำสกายนายจางค่ะก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่เอแจาร์ค่ะวันนี้ตื่นสายค่ะค่ะก็ตอนนี้เจ็ดโมงค่ะเจ็ดมงค่ะเจ็ดโมงยี่สิบพอดีเลื่อนเวลาค่ะก็ มากับนมักมศกาพอาจารย์ค่ะแล้วก็มาส่งกันบ้านก็ยังยังปฏิบัตินะคะแต่ว่าก็มีปัญหาตอนเวลานั่งแล้วมันจะคือนั่งได้ปก็เกือบเกือบชั่วโมงค่ะก็จะแบบขาชาอะไรก็ยังยังได้ยังทนได้แต่ว่ามันจะมันจะทนไม่ได้เรื่องน้ําลายกับไออ่ะค่ะพอว่ามันมันมีแล้วมันจะทําให้แบบเหมือนต้องเริ่มใหม่อะคะอ่ะก็ อย่าไปสนใจมันได้ไหมมันมันจะไหลเข้าไปมันไหลไปมันจะไอข้าวปล่อนมันไอไปเราไม่ต้องไปไอแท่มันเราก็อยู่พุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะอย่าไปสนใจมันแล้วดีไม่ดีมันก็จะหายไปถ้าให้ความสนใจมันมันเยิ่งยิ่งยิ่งมาต้องกวนเราใหญ่ค่ะแต่ว่าเรื่องขาชาตอนแรกจะทนไม่ได้เลยแต่ตอนนี้แบบเริ่มทนได้ละเริ่มแบบรู้สึกว่าแบบเออไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่บางทีก็ บางทีถ้าแบบมันเลยเกินชั่วโมงหนึ่งนี่แบบเริ่มจะทนไม่ได้ก็เลยแบบตัดสินใจลุกขึ้นมาเดินจงกรมอันนี้ป อ, อกอันนี้อันนี้ทําถูกไหมคะหรือว่าต้อ ง, องต้องทนต่อไปนั่งอย่า อ, อย่าทนอย่างนั้นต้องใช้พุโทโธพุโทโธไปด้วยอ๋อค่ะใช้นั่งเฉยๆก็เหมือนกับนัินจงกรมันเดินจงกรมมัมนต้ง ม, น ม, ม, น ม, มันพุโทโธพุโทโธพุทโธอย่างนี้สู้นั่งลงสู้นั่งต่อต่อไปได้นั่งต่อแล้วพุทโธต่อไปแล้วก็เริ่มใหม่ อมือันเริ่มใหม่พอพอพอตอนเริ่มใหม่เลยค่ะมันจะแบบมันจะเครียดค่ะมันจะแบบเหมือนมันจะแบบเริ่มรู้สึกแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม่สงบอะค่ะก็ต้องทนต่อไปมันไม่ได้เริ่มใหม่มันก็ทําต่อเห็นแต่ว่าออ๋เห็นแต่ว่ามันความสงบมันหายไปแล้วต้องเหมือนกันต้องสร้างความสงบขึ้นมาใหม่ค่ะค่ะถ้านั่งต่อได้ก็นั่งต่อจะดีกว่ามันจะได้ทําให้ เราสามารถนั่งได้ยาวขึ้นค่ะค่ะก็ ต, ตอนนี้ก็ถ้านั่งไม่ได้จริงจริงถ้าไม่ไหวก็ต้องยกขึ้นมาด้านแทนอืมบางทีก็ถ้ารู้สึกว่าแบบมันอึดอัดก็จะแบบลุกขึ้นมาแบบวา่าฟังฟังธรรมะแบบ อ, อ่านหนังสือแล้วก็เจริญสติต่อไปแต่ว่าเจริญสติในระหว่างวันบางทมีมันที่มันจะลืมาาานะคะพระอาจารย์เลยเปลี่ยนมาแบบเป็นฟังธรรมะอะไรอย่างเงี้ย ใส่หูฟังทรมะตลอดเวลาอะไรเงี้ยจะจะดีจะรู้สึกว่าจะมีสติแต่บางทีก็อยากที่จะแบบจเจริญสติโดยที่ไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็พุโทพโทรพ โ, รพโรแต่ว่ามันจะลืมอะคะพระอาจารย์ ม, มันจะมีมสิ่งมาแทรกก็ใช้ใช้การฟังปเป็นการช่วยเริ่มตก่อนถ้าไปได้เราใช้ใช้ไม่ต้องใช้ฟัง้วยบางทีก็ลองคิดว่าเออถ้าเกิดเราจะทำกับข้าวอย่างเงี้ย ถ้ามุดเราจะทํากับข้าวอย่าเงี้ยเราก็จะแบบจะจะจะพูดพูทโธพุดโท้พุดโท้ตลอดเวลาที่เรากาลังทำกับข้าวเงี้ยมันจะจะดีไหมคะก็ได้ถ้าถ่านใจเราจะไปคิดเรื่องแบบนั้นนี้ก็ใช้พุทโธ้หนึงเหมือนกันิดหน่อยถ้ามันถ้ามันไม่คิดก็ให้ดูการทำกับข้าวไปอย่างนี้ก็ได้อืมค่ะคือตอนนี้คิดว่าคงต้องฝึกสติอีกเยอะอะค่ะไม่เป็นไรก็ฝึกไปเนี่ยค่ะทำอะไรก็ทำไป ค่ะพร้อมกับว่าต้องก็คือต้องใช้แบบฟังฟัง u, ดู YouTube ฝาอ่านหนังสือแล้วก็ฟัง YouTube แล้วก็ดูดูไลฟ์ออของพระอาจารย์นะคะง่ายอันนี้ก็ศึกษาไปก่อนอต่อไปว่าจะศึกษาน้อยลงปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปค่ะค่ะค่ะตอนท<ต>ี่พระอ า, <พ>าจารย์ไลฟ์ไลฟ์ live, live บิณฑบาตนะคะน่าจะมีมเพิ่มอีกสักวันหนึ่งนะคะ ทีมงานเขาไม่สะดวกวันนี้มัน อ, อเข้าไปลาซาร์สมัครกันอ๋อค่ะชอบดูค่ะเขาดูวันเก่าก็ได้เลยเดีงกลับ <laughs> แล้วก็ชอบชอบที่แบบพระอาจารย์แบบเ อ, อทำม้าบนเขาอะค่ะรู้สึกแบบเออบรรยากาศดีมากเลยอะค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ขึ้นขึ้นไปบนเขาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วอ ะ, ะไม่โอ้ค่ะแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอืมค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ โอเคนะเอาทัานเองก่อนนะค่ะคกลับอขอบคุณคุณค่ะคนนุณนดลน่า น, น, า, นาน่าช่คนนุณนลน่อยู่ที่ไหนเอ่ยปิดเปิดไมค์กันเปิดแล้วค่ะได้ยินไหมคะอาจารย์ค่อยไปไหนะพูดดังๆไหนได้ไหยได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะคะกลับสวัสดีค่ะอยู่กรุงเทคพค่ะอาจารย์ ค่ะทีนี้คือหนูหนูเริ่มมามาปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้หนึ่งปีแล้วอนะคะ<ม>ก็ค่อยค่อยค่อยๆพัฒ น, นาไปเรื่อยๆคือเริ่มจากที่ที่แฟนหนูเสียชีวิตนะคะแล้วก็เลยเข้าไปสังพระอาจารย์ก็พระอาจารย์ก็แนะนําให้ปฏิบัติเพื่อให้ใคลายความทุกข์ด้านนี้นะคะแต่ทีนี้หนูก็อาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปงานศพของคุณน้าค่ะแล้วไม่ผ่านนะคะพระอาจารย์คือหนูก็ไม่ผ่าน คือหนูก็ไปลดน้ําศพคุณน้ที่สนิทกันใช่ไหมคะก็ก็เห็นศพท่านนะคะแต่ว่าตอนที่เห็นก็ไม่ได้มีอะไรแต่กลับมากลางคืนนอนกระสับกระส่ายไม่หลับค่ะพระอาจารย์ก็พูดโทแล้วก็คลายไปนิดนึงแต่แพอคนหลับก็ก็เหมือนตื่นกลางดึกค่ะพระอาจารย์ก็ไเป็นไรแสดงว่าจิตยังไม่ปล่อยยังยังไม่ยอรับความจริงอยางคิดถึงท่านเยอะ อย่างนี้หนูควรจะหมายความว่าพระอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงคําว่าสาติละน้อยไปฝึกนั่งสมาธิให้มากขึ้นให้แข็งแรงก่อนเอเบิกขามันน้อยไปค่ะมีเท่านี้ค่ะพระเจ้าปัญญามันมีแต่มันรับไม่ได้เพราะมันจิตมันมันไม่มีอยู่เบกขากิเลนมันมีกําลังมากเหมันก็เลยทําให้กิเลสหยา จริงคะ่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็ไม่กลา้าไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองควรไปไปรถน้ำดีมันไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมหรือยังก็ลองสู้ไปก็ดีได้ทำก็อสอบได้แล้รถไฟเดนได้ไม่ไไ <c oughs> ไมผ่าเดนอเนี่ย <c oughs> ท่านมีโอกาสหนูจะมารายงาน<ต>อีกนะคะข อ, คอคขอบคุณมากคะ่ะทำใหม่ต่อนะขอบคุณค่ะคุณเกคุณเกหลังมชื่อหลังรับใช่ครับอาจารย์รัการ ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็กับเามาการคมนการอะจารย์ครับก็าาบช่วงนี้ก็มีงานเยอะที่ขึ้นระบบใหม่ครับก็มีปัญหาแต่ก็แก้แ ก, แก้ไขเฉพาะหน้ากันไปกันครับอโอเคท ำ, ทำไปตามหน้าที่นะครับอย่างเมื่อวันเสาก็นิดนึงครับอาจารย์คือมันเหมือนมจะมีปัญหาครับแล้วก็นสึกตอนนั้นมันเครียดมากแล้วก็นก็เลยไม่ออกครับแล้วก็เลยนึกถึงเออพอดีได้ วันเราที่พระอาจารย์เ<ม>ทพตอนบ่ายครับก็ตื่นแล้วก็เลยนึกถึงคํามปล่อดภัยครับว่าถ้าทําสุดความธมารมะมันอะไรจะเกิดก็เกิดไปก็ปล่อยไปครับบุท้ายมันก็ได้ทางออกเองครับพระอาจารย์ใช่คนตั้อย่างมันก็มีเขอเคยก็มันคอยขอเคข้ามจนกันทําได้เท่าไหร่ครท่านนั้นใช่ครับพอวางปุ๊บโอววิธีมามีวิธีสํารองนี่ก็วิธีสำรองไปก่อนแล้วก็ทำพรารเรวไปครับ<ม>ก็เลยผ่านมาได้ ระดับหนึ่งเลยครับอาจารย์โอเคครับคาทูสครับอาจารย์ครับคุณสมชายสมชายจากเพนซิลเวเนียเลนด์เอรีเออรีเพนซิลเวเนียอ่ากลับพัดอาจารย์ครับก็มาฟังทำแล้วก็มาฟังจากหลายๆท่านอ่าที่เข้ามาให้คอมเมนต์อะไรเนี่ยแหละครับก็ เออผมทําสมาธินี้บางครั้งมันอากาศมันหนาวนี่อ่าผมอ่าผมนอนทํำคงไม่ค่อยถูกใช่ไหมครับก็นอนดับนอนทําเลยมันก็หลับก็นั่งไปก่อนเราเอาฝึกนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนน่งไม่ไหวแล้วค่อลงไปนอนนอนทําต่อเอครับบางครั้งกับมัน เอามันสู้ไม่ได้มันมันหนาวแล้วมันอะนี่ครัก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับที่บ้านไม่มีฮิตนเจร์มันหนาวมีครับแต่ว่ามันอ่อเวลามันอุ่นอยู่ในผ้าแล้วมันโอเคมันมันเราอีกหน่อยก็ทําแล้วคั่งต่อไปําว่างี้ก็เลยก็เวลานั่งสมาธิก็ห่ผ้าไไม่ได้ห้าม ผมผ้าแส่เสื้อผ้าได้มันไม่น่าจะหนาวนะถ้ามีเสื้อผ้ามีผ้าผมผมกลุมหัวอะไรก็ได้โอเคนะ อ, คอานน้กันะ<า>โอเคคุณเอ็นคชนิสาคุณเอ็นแคชนิส า, าญี่ปุ่นใช่ไหมโตเกโยียวะการำมาชการพระอาจารย์ค่ะอืมเป็นยังไงบ้างวันนี้มีค สบายดีค่ะพระอาจารย์อากาศเย็นละค่ ะ, ม, ะมีคำถ า, ถามค่ะพระอาจารย์<ม>คือ อ, อตอนที่นั่งสมาธิไปใช่ไหมคะมทีนี้ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็สงบดีนะคะแล้วมีบางวันที่พอพุทโธไปพุทโธมันเหมือนมันเหมือนลอยอยู่ในใจแต่จำคำที่พระอาจารย์บอกได้ว่าเออ่ให้พุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปอะไรนะคะไปดู ไม่ต้องไปตามลมหายใจใช่ไหมคะ<ช>ทีนี้มันมันก็จะมีมันก็จะมีเผลอไปว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพอนิกได้ก็เอ้ะ ก, กลับมากลับมาที่พุทธโทในใจปกติอย่างนี้มันมันควรจะต้องทํำยังไงอ่ะคะพระอาจารย์ได้ได้ทั้งสองอย่างพุทธเข้าโทออกก็ไดนะ้ถ้าถ้าอย่าใครก็ไม่กล้าพุทธเข้าโทออไปก็ได้ อ๋อก็คือตาม<ล>มั น, ไ ป, ปนไปได้ใช่ไหมคะได้ต้องจำว่าบางเวลาเราต้องการให้พุโทโธอย่านี้บางทีอาจจะต้องทิ้งลงไปเอาแต่พุโทโธอย่างเดียวเช่นเวลาเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายขึ้นมาพุทข้าวโตออกมันอาจจะเอาไม่อยู่อพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทิ้งลงไปเลยอือความสั้นยาวของพุโทโธนี้ไม่มีเอฟเฟกกับสมาธิ<ง>ของเราไหมคะ ถ้าเราดูนมมันก็อยู่ต้องอยู่สั้นยาวต้ออยู่ตามลมไปแต่ถ้าเราเอาชระโชอนไม่มีนลมล้วก็เลือกเอาได้ตามคามเหมาะสมตามควาสมสบายใจของเราหมายถึงถ้าสมมติว่าพุทหายใจเข้าอาจจะสั้นกว่าหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอฟเฟกต่อสมาธิของเราไหมคะไม่หรอกไม่มีอะไรค่ะใช่ไหมอ่าก uh huh. ็ให้ตามตามลมไปไม่ต้องไปบังคับลม อ๋อโอเคให้ให้ตามให้ตามไปจะสั้นหรือยาวก็ให้ตามมันไปเฉยๆตชมเฉยๆแล้วไม่ต้องไปบังคับมันค่ะถ้าในกรณีที่เราเราไม่ได้ไปตามลมเราพุโทโธอยู่ในใจนี้ปกติคือมันจะต้องคิดอยู่ในใจหรือว่ามันอยู่ในใจคดอยู่ในใจในค่ะถ้อย่างนี้คิดอยู่ในใจไม่ได้ก็อาจจะพึงพัมพึ่พัมไปก่อนพุโทโธพุโทโธอืมแ ต, แตอย่าออกเสียงอย่าไปส่งเสียงดัง บางทีไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าอะค่ะว่าพูดโทแต่เวลาตอนโทเนี่ยในใจมันไม่ไม่ออกโทรเลยพูดแล้วมันก็เป็นพูดพุดโทอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเหมือนกับพูดมันจะหนักแน่นกว่าโทรอะค่ะอันนี้คือได้ไม่เป็นไรปล่อยมัพูดไปเรื่อยๆก็พูดโทรพโทรพูดโธรอ๋อค่ะคือเป้าหมายก็คือเพิ่มให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อืม เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ ค, ค่ะขอบคุณปัญญาราักเช่นาาปัญรกกลับการพระอาจารย์อ่อยู่ที่ไหนนะจำไม่ได้อยู่ภูกเก็ตค่ะอ่ภูเก็ตค่ะวันนี้นาาไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าจะมาให้คำเป็นสัจจะตัวเองด้วยคะ่ะแล้วก็บอกพระอาจารย์ด้วยว่า พรุ่งนี้ตอนหัวลุ่งอะค่ะจะจะทําเนสัตชิกค่ะัะะตะแต่พรุ่งนี้เช้าไปเลยค่ะอ่า<ะ>อาจจนานะทําทําก่อนไปทํางานตอนเช้าค่ะโอ้ยไม่ใช่เนสัตชิกหรอเนสัตชิกว <c oughs> ันต้องมันหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่คเใ น, ในสัตชิกอ๋ออ๋อโอเคค่ะอันนี้เป็นการนั่งสมาธินานๆได้ไหมจะเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิค่ะอ่ากี่ชั่วโมงอะประมาณสองชั่วโมงค่ะ อโอเคก็เอาค่สอ <the> งทั้งหมดอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกนิสัชจริงนสัช<ห>จริกก็คือจะไม่นอนถึงเวลานอนจะไม่นอนอ๋อก็คือถ้าถ้าสมมุติก็คืออย่างเช่นทําตั้งแต่คืนมีไปจนถึงเชา้าแบบนี้ก็ถือเป็น น, นิสัจริงได้นิสัชจริงได้คื อ, อไม่นอนค่ะงั้นงั้นเดี๋ยวไว้ทําตอนวั น, ว, นวันจะหยุดค่ะพวกมีทำงานะค่ะมีเท่านี้ค่ะอ่าถึงแสดงควายินดีด้วยค่ะขอบคุณโอเค คุณน้าเชิญเชิญมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณโกโก้ขอโอกาสครับเมื่อเรานั่งภาวนาเสร็จแล้วถ้าไม่ได้แผ่เมตตาจะเป็นอะไรไหมครับแล้วถ้าแผ่เมตตาต้องแผ่ให้ใครก่อนขอความเมตตาครับเ อ, อ่อการสวดแผ่บทแผ่เมตตาที่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา การแผ่เมตตาต้องเวลาเราเจอกันเจอคนไหนก่อนก็ให้ความเมตตาเขาเลยยิ้มให้เขาเลยทักทายเขาสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าหรือถ้ามีขนมมีของอะไรมาฝากเขาก็เอาของมาให้เขาเนี่ยนะเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดเข้าใจไหมการสวด น, นี่เป็นการฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้เรารู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาอย่างไรมีสี่วิธีอาเวลาหุนตัว อย่าไปจําเวรจํากรรมกันเวลาไทครเขาทำให้เราโกรธเสียหายล้วก็อย่าให้อาภัยเขาไปอย่าไปทําอย่าไปทําอะไรที่ทำให้เปลี่ยดเบียนเ น, นอื่นอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่แล้วก็ให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือวิธีการให้ความเมตตาด้วยการกระทําที่เราส่วนนี้เป็นพยานประการตรึกซ้อมสอนใจให้รู้วิธีท่านอีอ ไม่ได้ยังไม่ได้แผะการสวนนี้ไม่ใช่เป็นการแผ่การแผ่การแผต้องเป็นการกระทําใช่เวลาเจอกันกระทักทายสวัสดีสวัสดีครับยิ้มให้กันปนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นามึนใส่กันเมื่อด่ากันเนยเผชิญเจอกันอยเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้แผ่เมตตานะถ้าโกรธเขาก็ให้อภัยเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขา มีข mm. okay. uh, ้อเดียวตอนที่แปดหายไปบบนห้ดมีคำถามเดียวเจ้าค่ะโอเคอ่ามีเวลาอีกนิดหน่อยก็อยากจะถามหน่อยไหมิดโอกาสให้สมชายครัสมชายร้องโมงก็ได้ปล่าครับคุณคุณสมชายครับอ่ามาสมชายอ่อผมบอกว่าผมหมายถึงทุกคนคก็ ถามเลยนะผจะด้อบอ๋อถามไม่มีเลยอ่ะยังไงที่คุณจันนิสาคนแอนแชร์ครับอบครับสอบสาันนิสามีอะไรว่ามได้ไลยก่อนหน้าก่อนค่ะได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะคือกาลังมีมีเคส ว่ามีคนขอความช่วยเหลือนะคะคือพี่พี่ที่รู้จักกันนะค ะ, ะแกมีแม่แล้วทีนี้แม่ไม่ชอบแฟนของพี่ทีนี้แฟนพี่พี่เนี่ยกำลังจะจองตั๋วให้ให้แฟนเขามาเที่ยวแต่แม่เขาก็จะไม่สบายใจในกรณีนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราช่วยจองตั๋วให้เขามาแต่ทำให้แม่ของแฟนเขาไม่สบายใจอย่างเงี้ยมันจะเป็น เขาเรียกอะไรอะคะทําความเด็ดร้อนให้ก็เป็นนะแต่ว่าเราก็หาวิธีแก้ได้นี่ให้เข้าไปอยู่ที่อื่นได้ไหมในอะไรกั้เนอะนั่นไม่ได้เลยอะค่ะเรืองบอกเขาอย่ามาเลยได้ไหมเพราะว่ามาแล้วทําให้แม่ร้องไห้ใจเขาพูดไปตามความจริงแล้วคะถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นการทําทำร้ายจิตใจทางฝั่งพี่กับแฟนเ้าไหมคะคือมันก็เราควรเลือกไหมหรือว่า เรนต้องใช้มันน้ำหนักหรือว่าจ้เอาอนไหนดีล่ะจะเอาฝ่ายไหนดีให้ความสุขฝ่ายหนึ่งก็ให้ความทุกข์ฝ่ายหนึ่งมันคุ้มกันไหมถ้ามันไม่คุ้มก็อย่าไปให้เลยหมดเรื่องจบไม่ต้องมาดีเราเธอไม่ต้องมาแต่ไปประเทศอื่นซื้อตัวให้เขาไปอยู่ประเทศอื่นไปเที่ยวประเทศอื่นแล้วไปอยู่เมืองอื่นก็ได้ไม่มาแล้วก็ไปให้เขาอยู่โรงแรมแทนเลยก็หมดเรื่องไปอืม ก็ก็เลยเห็นเขาที่เราเป็นคนนอกเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยเขาแค่ให้เราจองตั๋วให้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยแบบไเอ็นไร<ด>ถ้าเราเอาจองตั๋วให้ีเราไม่มันไม่ได้เป็นการกระทําของเราเลยตรงเป็นคนสั่งที่ให้ให้เราทําแต่ก็มีส่วนนะและ้วเขาปฏิเสธไปก็ได้บอกทำแล้วแม่คุณไม่สบายใจถ้าไม่อยากจะทําก็บอกเขาไปแล้วกัก็เลยคิดว่าเออหรือว่าจะแอบเปลี่ยนวันให้มันสั้นลงจากสิบห้าวันเหลือแบบ สักสิบวันจะ ก, ก็ก็จะกลายเป็นคนโกโหกองกว่า อ, อ, อย่าทำดีกว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยทำมันดีกว่าค่ะถ้าเท่านี้ค่ะอาจารยจ์จะได้จะได้จะได้ปฏิเสธไปอ้อมๆว่ามันจองไม่ได้เครดิตไม่ผ่านแต่พูดตามความจริงการที่เข้ามาอ๋อต้อพูดตามความจริง่ะคะเข้ามาเนี่ยแม่ไม่สบายใจก็เป็นเรื่องของแม่แม่เป็นไม่สบายใจเอง คดีการมาเขาเขาก็ไม่ได้มาทําเขาก็ไม่ได้มาทุบตีแมไม่ได้มาทําเลยแม่ไม่ได้มาว่าแม่ค่ะบางอย่างบางทีก็ต้องก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของแม่ไปทําใจไม่เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเรามคิดว่ามันไม่อยากให้แม่เขาไม่สบายใจแล้วเราก็อยากทําไปแล้วกันก็ไม่รับจองดีกว่านะคะก็ให้ ค่ะก็มีก็ทำไปค่ะพรอาจารย์ขอบพระคุณอยู่ในโลกนี้ลําบากเหมือนกันนะลำบากมากเลยค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะทำเอาใจคนนั้นแล้วทําให้คนนี้เสียใจใช่ค่ะพอเพิ่มเพราเมื่อสักครู่นี้พระธิอาจารย์บอกว่าต้องไม่เบียดเบียนใครแล้วก็คิดขึ้นมาได้เอ๊ะอย่างนี้จะเบียดเบียนใครหรือเปล่านะก็ทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนก็เบียดเบียนได้ใช่ไหม ใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะว่าแม่เขาก็เป็น โ, โครคหัวใจอยู่เขาตอนนี้เขาแค่แค่รู้ค่ะว่าจะมีคนมาเขาก็าไม่สบายใจแล้วเครียดแล้วม่ดับเครียดแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะเท่านี้ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะสาธุดมีใครอีมเฟซบุ๊ครับอาจารย์บมม า, ามีคำถามสองคำถามเจ้าค่ะคาถามแรกจากคุณพงพันธ์ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายถึงเหตุและผลที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรคิดเกี่ยวกับอจินไตยสี่ครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ไงเราการเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์การรู้เรื่ององจินไตยนี้หรือไม่รู้เรื่องนี้มันไม่ได้เปลีไปไ่ยนแปลงอะไรไม่ได้เสริมเสริมการปฏิบัติของเราให้เราดับทุกข์ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น เห็นเรื่องบางอย่างไม่จําเป็นจะต้องรู้มันเปนปฏิบัติธรรมยัต้องไม่ไม่ต้องไปเรียนภูมิศาสตร์ไม่ต้องไปเรียนประวัติศาสตร์ไม่ต้องไปเรียนฟิสิกไม่ต้องไปเรียนคณิตศาสตร์ก็ได้นะข้อมูลนนี้มันไม่จําเป็นต่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ต้องการสีนสมาธิปัญญาให้รู้แค่เรื่องสีนสมาธิปัญญาก็พอหรือทานสีนภาวนาแค่นี้ก็พอคําถามต่อไปจากคุณปุ้ยค่ะ ขอโอกาสถามเรื่องการวางใจและความคิดตอนกราบพระประธานค่ะเวลากราบพระพุทธรูปจะคิดว่าพระพุทธเจ้าคือที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมคือที่พึ่งของข้าพเจ้าและพระสงฆ์คือที่พึ่งของข้าพเจ้าค่ะอโกาสนะั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งปัญาจารย์ของเรากราบพระพุทเจ้าท่านเป็นอาจารย์สั่งสอนเราพระธรรมคําสอนก็เป็นคําสอนที่มาสอนเรา อาธิยศสงสารวุก็เป็นอาจารย์ที่จะมาสอนธรรมะให้กับเราคือเราจะเชื่อแต่คนสามคนนี้เท้เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์คนหนึ่งเราจะไม่เป็นเรียนแต่เราจะไม่ไปเรียนจากเขาเพราะเขาไม่รู้เหมือนกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์รู้เพราะสิ่งที่พระพุทธระธรรมพระสงฆ์รู้คนอื่งไม่รู้กันนะครันวิธีดับทุกข์นี่คือวิธีการของเราให้เรารู้ว่าเรากำลังกลับกูบาอาจารย์เทนั้นเอง ไม่ได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอให้ถูกแบตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอให้ได้เงินเดือนขึ้นให้ได้่เงขั้นเลื่อ น, น, น, นตำแหน่งเอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนี้เวลากราบพระนะวันนั้นนะวันแรกช่ไค่ะโอเคง่ายๆท่านที้กราบนะสําหรับคืนนี้ก็ขออขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ